อาจารย์ครับก่านามัส ก, การครับผมจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครัพระอาจารย์โหวันนี้ตั้งประเด็นเรื่องนั่งสมาธิครับอาจารย์มีคนมารอหกร้อยกว่าคนแล้วครับอาจาย์แสดงว่าน่าสนใจครับสิ่งที่เราที่ที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับชีวิตของเราตัวเราได้ก็คือการทําใจให้สงบนี่ยนระมีคนณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถทําใจให้สงบให้มีความสุขได้ค่ะผมอยู่ที่การปฏิบัติของเราเนี้เทา่านั้นอัตติอัตโนนาเถรมันเป็นที่เรื่องของตนแล้วถ้าไม่เริ่มทําอันนี้มันก็จะไม่ได้ทําไปเรื่อยๆ ม, นยมันจะผัดไปเรื่อยๆกิเลมันจะค่อยหลอกเราเรื่อยๆครับเราก็เหมือนกันค่อยอา่านเรื่องการปฏิบัติอยู่ต้องหลายเดือนหนังสือสติปัฏฐานก็อ่านอะไรก็อ่าน แต่ไม่ได้ ท, ทําสักทีวันหนึ่งมันถามด้วยเฮ้ hey, อ่านมันต้องเยอะแล้วทำไมยังไม่ได้ทําสักที <c oughs> เอ า, าเวันยนี่เลยเอาเดียร์นี้เลยอะไรวะเลยเริ่มนั่งหลับต า, าได้มากได้น้อยก็เริ่มทําไปเลย <c oughs> ทําให้เราคิดถึงซุปาสิจีนที่เขบอกว่าระยะทางมันยาวไกลถึงพันกิโลก็ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกนี่นะ ถ้าไม่มีก้าวแรกมันก็ไม่มีก้าวที่สองไม่มีก้าวที่สองมันก็ไม่มีก้าวที่สามถ้าไม่เริ่มต้นมันก็ไม่มีวันที่จะไปได้แล้วถ้าถ้าเริ่มแล้วหยุดก็ไม่ได้เหมือนกันเริ่มแล้วก็ต้องทำเช่นวันนี้นั่งครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้ก็ต้องนั่งครึ่งชั่วโมงไม่พยายามยกเลิกหยุดนี้ไม่ได้นอกจากเหตุสุวิสัยไม่สบายหรือที่มันทําไม่ได้จริงๆถ้าไม่มีเหตุ ทันควรแล้วต้องไม่ไม่ต้องทําให้ได้คืออย่างน้อยต้องรักษาระดับที่เราเริ่มไว้แล้ม่แต่เพิ่มไม่มีลดมันจะเข้าหน้านะ แ, แล้วก็ถ้าเกิดมีหยุดมีเหตุเหตุการณ์บังคับให้หยุดก็บางทีาจต้องมาทําชดเชย <c oughs> จนวันนี้อาจจะมีเหตุไม่ว่างทาไม่ได้เดี๋ยวพรุนี้ต้องมาชดเชยทำสองเท่าทำของเมื่อวานนี้แล้วทำของวันนี้ด้วย มันถึงจะไปได้งั้นถูกกิเลสมันหน่ อ, อไปกินมดมันก็อ้า ง, งานู่นอ้างนีไปตลอดแล้วไปทําตามกิเลสมันได้ประโยชน์อะไรนี่แห<ช>สิ่งที่ล่าที่ประเสริฐเหมือนกับเข้าให้เราไปเข้าในธนาคารแล้วบอกต้องการเงินเท่าไหร่เอามีเวลาหนึ่งชั่วโมงคุณจะมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์อ่านอะไรไรือเปล่าแล้วคนจะรีบรีบเอาเงินก่อนโตให้มากที <c oughs> ่สุดท้ายจะมากได้ใช ก็เวลาเรามีจำกัดเราจะไม่รู้ว่เวลาเราจะหมดไไห <iend ot. S 2> เมื่อไรครับอันนี้อริยะรัพย์ทรัพ ม, ม, มันประเสริฐคือความสงบเนี่ย ม, มันพระพุทธเจา้าบอกให้ให้ให้ตักได้เดี๋ยวนี้แล้วต้องการเท่าไหร่ก็ออกไปได้แต่เรากลับไม่เอาเมันนมวแต่ติดธุระ น, นะติดธุระ น, นี่ติดคนนะติดคนนี้ติดเรื่องนั้นติดเรื่องนี้เลยไม่ได้ทําสักทีครับ เดมันต้อใจครับอันนี้เราพูดเป็นคติให้ฟังเพราเราผ่านมาแล้วเนี่ยเราถุกเรามันต้องหลายเดือนอ่านหนังสือมาเรื่องสมาธิเรื่องปฏิบัติที่มาหลายเดือนไม่ได้ทำสักทีมันก็งงเหมือนกันอยู่ดีๆมันก็ฉุดคิดขึ้นมา้าไม่ได้ทําสักทีมีอะไรไหมขาดขวังไม่มีเพียงแต่ไม่ทำเลยมันไม่เคยทํามันก็ไม่ไกล้าทําำยังไงไม่ทราบก็เลาเอาเดี๋ยวนี้เลย นั่งเลยห้านาทีสิบนาทีก็เอาไปก่อนละขวให้ได้เริ่มแล้วเริ่มแล้วก็ทําต่ออย่างน้ยวันละครั้งถ้าเคยเริ่มต้นได้กี่นาทีก็าต่อพรุ่งนี้ก้าอีกแล้วก็ถ้าอยากจะก้าวหน้ามากรันนี้ก็ต้องเพิ่มจากห้านาทีเป็นสิบนาทีเป็นสิบห้านาทีขยับไปหรือวันหนึ่งเพิ่มจากครั้งเป็นสองครั้งไปได้แล้วแต่คือต้องเพิ่มปริมาณปฏิบัติอินพุตมันต้อง เท่ากับเอาพุทใช่ไหมถ้า <Okay. S 1> อินพุตมันน้อยเอาพุทมันก็น้อย <Okay. S 1> เั่นหลักตัดกาง่ายๆนันต้องต้องมีความเพียรดุจพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรพระเจ้าบอกไม่มีอะไรสมพัญเท่ากับความเพียรถ้าไม่มีความเพียรก็จะผลักดันสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยต้องเริ่มเสียแต่หลั น, นี้เพราะว่าเวลาเรากำลังเข้าดาวอยู่ ชีวิตของเรานี่นับถอยหลังแล้วนะครับวันหนึ่งผ่านไปก็ชีวิตก็สั้นลงไปอีกวันหนะึ่งดนั้นอย่าปล่ให้เวลามีค่านี้หมดไปกับเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่ไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจเอาเวลามาทํากับเรื่องที่มีคุณมีประโยชน์ที่จะทําให้จิตใจเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกน้อยลงจะดีกว่าะโอเคนะ เข็ ม, มข้นกันขัดรถเจะเปฏิปบัติยังไงใช่ไหม <S <S 2> <S 2> ไ ม, ม, ม <S 2> <S 2> หีว่าควรทำการภาวนานะครับผมจะ ไ, ได้รู้การภาวนาก็เหมือนกับการขาับรถขดดับรถนี่เราต้องมาหยุดมันใช่ไหมถึงเมื่อถึงจุดที่เราต้องการจะหยุดเราก็ต้องมีเครื่องมือที่จะหยุดมันเราก็ต้องมีเบรกใช่ไหมและการจะรให้รถหยุดเราก็ไม่ได้มาเหยียบเบรกตรงจุดที่เราต้องการให้มันหยุดใช่ไหม รเราต้องหยุดมาก่อนล่วงหน้านะเผื่อว่ารอยเมตรนะก็จะหยุดข้างหน้าเห็นไฟแดงข้างหน้าเนี่ยเราก็าเริ่มแตะเริ่มช้าลงเริ่มผ่อนและผ่อนคันเร่งแล้วก็เริ่มแตนะเบรกไม่ใช่มารอตรงไฟแดงแล้วเขามาเหยีย บ, บเบรกเหยียบเบรกมันก็ไม่หยุดตรงนั้นก็เหมือนกันคนที่ไม่เจริญสติเลยพอถึงเวลาจะมานั่งสมาธิเลยก็เห ม, มายกับว่าต้องการให้รถจอดนิง่งตรงสี่แยกแล้วก็ม า, มาเริ่มแตะเบรกตรงสี่แยกไฟแดง มันก็ไม่มันก็ไม่มันไม่หยุดหมันก็ต้องวิ่งต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันการที่นั่งสมาธิแล้วทให้จิตสงบได้มันต้องผ่อนความเร็วมาตั้งแต่เช้าแล้วมันจ ะ, ะตื่นขึ้นมาเลยครับต้องสกัดต้องต้องต้องสร้างที่เรียกว่าไอ้ไอ้คันกล้ารลดวิ่งเลยวไม้มาตามถนนต่างๆเขาจะมีขันกั้าความกระน่ำนี่ครับ เช่นเราไปหมู่บ้านหรที่ไหนที่เราไม่ต้องการให้รถวิ่งเร็วนี่เขาจะทำให้คันเล็กสปีดบัมม์ภาษาอังกฤษเนี่ยรถมั <S <S นจะได้ชะลอตัวได้ไม่มวมิ่งเร็วไปไปอันนี้นะสติก็คล้ายๆสปีดบัมม์หรือคล้ายๆคล้ายๆกับการเหยียบเบรกเราต้องทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเพราะมงั้นนั้นวเวลาตื่นข้มานี่มือม้าออกจากช่องช่องแข่งพอตื่นตาขึา้นมาก็เริ่มคิด น, นะ ว, วันนี้จะทาอะไร มผนอะไรมีธุระอะไรที่ไหนกับใครอย่างไรคิดไปแล้วนี่เราถ้าอยากจะต้องการผลทำสมาธิเราต้องอย่าเสียดายความคิดอันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าถ้าย่างต้องทํามากินอยู่เนี่มันก็คงจะยากอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่จะให้ได้ผนจริงจริงมันต้องเริ่มที่สติก่อน เริ่มได้ของก็คือตอนที่เราตื่นขึ้นมาเนะี่ยเริ่มแสะเบรกได้เลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอาจจะคิดเท่าที่จําเป็นคิดวันนี้วันอะไรวทุ่งอะไรถ้าคิดเสร็จก็พอหยุดแล้วก็ไปเตรียมตัวน้ำนั่งนากแปลงพันก็ให้มีสติเข้าดูการกระทําของร่างกายอาบน้ําก็อยู่กับเรื่องอาบน้ําอย่างเดียวไม่ไปเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรตนะ่างๆทํา อยูกับเรื่องเดียวเรื่องที่ร่างกายกำนังทําอยู่่คือเฝ้าดูให้เฝ้าดูอย่างถ้าไม่จําเป็นจะต้องคิดก็ไม่ต้องคิดถ้าคิดก็คิดเฉพาะเรื่องที่กําลังทําอยู่เช่นต้องฟอกสบู่ต้องอะไรก็คิดไปทำนั้นเองแปลงฟันก็เหมือนกันแต่งเนื้อแ ต, ต่งตัวก็เหมือนกันพอมาถึงเวลารับประทานอาหารก็รับประทานอาหารเหมือนกันทํามันทีหลา อ, อย่างควบคู่ไปกับการทําของร่างร่างกายให้ใจผูกติดอยู่กับร่างกายตลอดเวลา ออกจากบ้านก็มีสติเวลาเดินออกจากบ้านก็มีสติเดินออกจากบ้านเวลาขึ้นรถก็มีสติต่อการขึ้นรถเวลานั่งรถถ้าขับรถก็มีสติกับการขับรถถ้ามีคนขับก็นั่งหับตาแล้วก็ภาวาพุโทโธพุโทโธไปเน้อดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าไปดูซ้ายขวาหน้าหลั ง, งเลยมันเป็นเรื่องวุ่นวายใจเลยเดี๋รถติดขึ้นมาก็เครอยดแนละ้วดูเวลาในนาฬิกาอะไรต่างมารับรู้ดีกว่า Yeah. Yeah. มันมันยังไงมันก็ต้องถึงอะจะถึงช้าถึงเร็วมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเรากํ า, า, า, าหนดไปได้เราเป็นผู้โดยสารแล้วก็นั่งไปทําใจให้เย็นให้สงบดีกว่าอันนี้พูดถ้ายังอยู่ในในในสภาพที่ยังทํางานอยู่นะ <Yeah. S 2> แต่อันนี้อาจจะเกินไปหน่อยตอนตื่นขึ้นมาอาจจะเผื่อเวลาไว้ก่อนก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วลองมานั่งสมาธิสักห้าสี่สิบนาทียี่สิบนา ท, ทีก่อนไปได้ เพราะช่วงที่ตื่นมาใหม่ๆความคิดมันมันน้อยก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่จะนั่งสมาธิแล้วทำให้ใจสงบได้บ้างไม่มากก็น้อยตื่นขึ้นมาก็ก่อนจะทำอะไรลุกขึ้นมาก็นั่งสมาธิเลยไม่ต้องมาพลา ส, ส่วนเวก็ได้เอาปฏิบัติบูชาเลยนนหลับตาพุโทโธไปดูลมหายใจไป งานเท่าไหร่ได้อย่างนี้งานเท่าไหร่ได้อย่างนี้เสร็จแล้วถ้าเราต้องมีภารกิจไปทํางานก็เตรียมตัวไปทํางานอาจจะคิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรต้องไปทํางานท่นี้ก็พอถึงงานแล้วค่อยไปคิดเรื่ององนานกันหน่อยย่ไปทำโอง์ทีให้กับบริษัทก็เลยเขาไม่จ่ายให้เราไปเอางานไปทําที่บริษัทยาวงานมาทำที่บ้านอยคิดถึงเรื่องงานอยู่ที่บ้าน คิดอยู่กับเรื่องที่ร่างกายกำลังทางอยู่เราดูร่างกายไปดนวยการเจริญสติด้วยกายยคตาด้วยด้วยการใช้ร่างกายในสติประธานสี่นั่นคือกายยคตาสติให้จริสติด้วยการผูกใจไว้กับการเคลื่อนไหวต่างๆการกระทําต่างๆของร่างกายแล้วมันจะทําให้ความคิดน้อยลงมันใหม่ๆมันก็จะหมดมันก็คงยะหนีไปขึ้นะ เราอาจะเข้าดูร่างกายได้แวบหนึ่งมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่ถ้าเราทำหนึ่องอยู่ไม่ได้ว่าเราต้องมีสติอยู่กับการเคล่อนไหวของร่างกายเพราะรู้ว่ามันไม่อยู่กัร่างกายเรื่องดี้กลับมาได้ถ้าทำอย่างนี้ได้พอถึงเวลามานั่งสมาธินี่ยโอกาสที่มันจะนิ่งจะสงบนี้มันมีมากป่าถ้าเราไม่มีการจเจริญสติมาเลย พอไม่จลาจลสติมัลจคิดมาอยู่ทั้งวันพอมานั่งความคิดที่มันก็ไม่หยุดคิดทันทีนะมันก็มันจะคิดต่อไปแล้วนั่งก็รู้สึกอึดอัดเพราะว่ามันไม่มันไม่นิ่งมันไม่สบมันมันคิดพอมันคิดแล้วมันก็อยากจะเคลื่อนไหวทางร่างกายอันนี้คือขั้นตอนของการึกสมาธิต้องจลาจลสติก่อนต้องขัดต้องต้องจลาจสติก่อนครับ เกี่ยวกับการเรียนหนังสือนะียก่อนที่จะอ่านออกเขียนได้มีต้องไปเรียนกไก่กอไก่ก่อนนะไม่ใช่อยากจะอ่านออกเขียนได้ก็เริ่มไปเปิดหนังสือดูเลยแล้วก็ดูไปดูบรรจมบรรตก็อ่านไม่ได้การตั้นต้องเริ่มที่เบสิคเริ่มที่พื้นฐานพื้นฐานของการนั่งสมาธิก็คือการเจริญสติการฝึกสติ บางทานาจะใช้พุโทโธช่วยกำกับด้วยก็ได้เช่นถ้ามันไม่ยอมอยู่กับร่างกายมันเชอาแวกไปเรื่อยๆก็เอาเอ า, เอาพุโทโธเอามาอีกเส้นนึงก็ได้ทั้งดูทั้งพุโทโธไปด้วยกันเลยดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วขณะเดียวกันเ้าก็พุโทโธพุโทโธกำกับไปด้วยก็ได้อันนี้มันจะได้ทําให้การเผลอมันยากขึ้น <Okay. S 1> การที่ทําให้ใจลอยไปที่อื่นมันยากขึ้น มมีเชือกสองเส้นเชือกเส้นเดียวมันอาจจะมอาจจะขาดได้ง่ายแต่ถ้ามีสองเส้นนี้มันจะขาดยากกว่าอันนี้ท้าฝึกสติได้ฝึกไปเถะนะิดแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาเลยอยีธ่ที่ทำงานก็ได้หาเวลาว่างสักห้านาทีสิบนาทีนั่งพับจิตสมบ้างแต่เราต้องมีความตั้งใจมีความกำหนดว่า มีเวลาว่างเมื่อไหร่จะจะนั่งทันทีจะจะนั่งทันทีแต่มันพูดง่ายนะแต่มันทำํำยากนอกจากคนที่ ม, มีความปรารถนาที่แรงกล้าจริงต้องการอยากยาได้ผลจากการนั่งสมาธิจริง จ, จะจะมีความเพียรไปอย่างมากจะมีความตั้งใจมากจะมีความคอยระลึกเตือนใจให้หาเวลามาทําสมาธิให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ อันนี้ก็คือพอพอเราพอสมว่าพอเรามาเริ่มหน้วก็เหมือนเหมือนอย่างที่พูดนะ่ยก็โดยปกติก็ต้องใช้อานาปนสติก็คือให้ดูับหายใจเข้าแต่บางครั้งจิตเราฟุ้งอยู่เนี่ยมันไม่ยอมดูลงเราอาจจะต้องใช้วิธีอื่นมาช่วยเช่นอาจจะใช้การสวดมนต์แนที่จะปล่อยให้มันคิดเรื่องราวต่างๆเพราะมันยิ่งคิดมันยิ่งยาวถ้าเป็นเรื่องเป็นรา ถ้าอามาสวดมนต์ความคิดมันก็จะขดตัวลงสั้นลงแล้วมันก็ จ, จะมาอยู่ในจุดที่พอที่จะดูลงได้เราค่อยเปลี่ยนจากการสวดมนต์มาดูลมต่อท่า น, นก็ถนัดทางปัญญาก็อาจจะใช้การพิจารณาการสารสืรร่อสองของร่างกายก็ได้หรือว่าอาการตา่างๆของร่างกายผมขนและปัญญงและเอ็นกันเดิ อ น, นก็จะทําให้ใจหยุดไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอใจเริ่มเริ่มนิง่งเริ่มสบายก็เรามาดูลมหายใจต่อพอเร า, รเราดูลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องไปคว บ, บคุบมลมครับหลมเราคงคิดว่าต้องมารู้ให้หายใจ ย, า, ยาวๆลึกๆนี่ไม่ไม่เพราะนี้เป็นการทํางานของใจของจิต เราต้องการให้จิตหยุดทํา ง, งานวิธีที่จิตจะหยุดทํา ง, งานก็คือให้จิตรู้เฉยๆให้ดูเฉยๆถ้าจิตไปก็กลุมบังคับร่างกายมันก็เป็นการทํางานไปเช่นบางทีนั่งเราขยับตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ขยับเปลี่ยนทิศทางปอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการไปไปไปทํางานนะไปทําให้จิตทํางานก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่ พอเรารนั่งสมาธิพอเราเริ่มทาไปแล้วเราไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับร่างกายถ้าเกิดอาการคันตรงนั crystal, ้นค so <from> ันตรงนี้ก็ปล่อยมันคันไปเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็ป่ายมัเจ็บไปแั่นหน้าอกแน่นที่ศีรษะหรืออะไรก็ตามอาการต่างๆนี่มันเป็นอาการของกิเลสเท่านั้นเวลาทํานั่งดูอย่างนั้นไม่มีปัญหาอย่างนั่งทำงานนั่งดูอะไรไม่แม้แต่ขอให้นั่งเฉยๆให้ดูตรงนี้มันกิเลสมันจับ มันจะต่อได้มันก็นจะสร้างการอะไรออกมาเพื่อที่จะทําให้เราเสียสมาธิเสียปัญเสียสติเนการนั่งสมาธินี้เคลึ่อจิตออกจากร่างกายให้เดิงเข้าสู่ทางของจิตให้เดิงจิตกลับกลับขึนสู่จิตอันนี้จิตส่งกระแสมาก่ อ, กอที่ตาจมูกนิ้นกายนี่เราเรียกว่าวิญญาณเราต้องการเดิงสาววิญญาตถอดลัดทั้งห้านี้ออกจากร่างกายออกจากตาหูจบุกนิ้วกาย ก็ต้องใช้สติใช้สติใช้การสำรวมอินทรีย์อย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปลืมน้นจมกิ่อย่าไปพยายามดึงให้ให้ใจมีสติอยู่กับพูดโธอยู่อยู่กับการเข้าดูลมหายใจมาถึงจะเข้าข้างในได้เรต้องการนึงดึงกระแสของใจที่มาเกาะร่างกายให้ออกจากกันให้จิตเข้าสู่สุ่ฐานของจิตคือความสมบุบ ต้องใช้สติต้องให้จิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นให้ดูเฉยๆแล้วถ้านั่งไปบางทีอาจจะเผลอไม่มีสติแล้วก็อาจจะปรากฏมีอะไรให้นับรู้ก็อย่าไปสนใจให้รู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่กรบลมแล้วให้รีบกลับมาอยู่ที่ลมต่ออย่าไปสนใจอาจจะมีภาพมีแสงมีสีมีอะไรปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็เป็น ผลที่เกิดจากการที่เราไม่ได้มีสติอยู่กับลมหายใจก็ก็ปล่อยให้จิตปรุงแต่งขึ้นมาได้มันเป็นเรื่องของปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นนะไม่มีคุณมีประโยชน์อะไรครับสิ่งที่เราต้องการก็คือความว่างความนิ่งสงบเมื่อจิตหยุดนิ่งปั้มมันก็หยุดมันก็ ย, ม, กยมันก็จะหยุดผลิตสิ่งต่างๆที่ปรากฏในในใ น, ในใจผลิตธรรมอารมณ์ต่างๆ จิตนึ่งสับมันก็จะวางแล้วก็จะจะสบายเบามีความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งปวกเกิดจากการที่จุดหยุดคิดได้ถ้ามันหยุดถ้ามันถูกควบคุมบงครับไม่ให้มันคิดในที่สุดมันก็จะยอมมันก็จะอยุดเองเพราะมันยุดเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคนละโลกเลย ตอนที่มันมันคิดที่มันรู้สึกมันเหมือนกับชักกระเยื้อกันมันตึเครียดสติตก็พยายามจะให้มันหยุดกิเลสก็พยายามจะผลักันให้มันคิดนะมันก็จะเกิดอาการตึงเครียดขึ้นมาในใจขณะที่ภาวนาเนี่ยแต่ถ้าถ้ากิเลสยอมแพ้หยุดคิดปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเบาเหมืออีกฝั่งเวลาชักกระเยื้อถ้าอ้กฝ่ายหนึ่งเขาปล่อยเพราเป็นไงเบาเลยแต่ถ้าเขาดึงอยู่เขาก็นึงเราก็ดึงมันก็ตึง ใช้กำลังสู้แต่พออีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ปล่อยปั๊บนี้เราก็ไม่ต้องใช้กำลังแล้วสบายแต่เราชนะ ม, มันแล้วจิตสงบแล้วผลของการชนะ ก, กิเลสก็คือความสงบจิตก็เข้าสมาธิเข้าฌานไปพอเข้าแล้วก็พยายามรักษามันอย่าให้มันทำอะไรให้มันนิ่งอให้นานๆการฝึกสมาธินี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะไปเจริญปัญญาหรือวิปัสสนา ท่านสมาธิต้องการให้จิตนิ่งนานๆสงบนานๆเพื่อให้เพื่อชาร์ตกาลังของหมู่เบกาให้มีมากขึ้นให้จิตมีพลังนิ่งพลังนิ่งนะที่จะเอาชนะกิเลสได้สยบความเคลื่อนไหวด้วยด้วยความสงบใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ความเคลื่อนไหวก็เรื่องของกิเลสเท่านะั้นกิเลสก็เคลื่อนไหวอยากไปโน่นอยากมานี่อยากโน่นนั่ น, นอยากฟังนี่ต้องสยบความเคลื่อนไหวเหล่านี้ด้วยความนิ่ง ถ้าไม่รีวิเบรคขาก็หยุดมันไม่ได้ถ้าไม่รีวิเบรคขาถ้ามันไม่ยอมนิ่งก็งแสดงว่าต้องใช้สติช่วยหยุดมันก่อนให้มันนิ่งถ้ามันนิ่งแล้วม่รีวิเบรคขาแล้วมันก็ยังไม่เคลื่อนไหวแต่ถ้ามันเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็ต้องใช้สติหมาแสดงว่าอุเบกขาอ่อนลงแล้วอ่อนกำลังลงก็ต้องใช้สติเป็นตัวชาร์ตอุเบกขาขึ้มนมาใหม่ต้องทำอย่างนี้ไปรเรื่องในขั้นของสมารถ ไม่ต้องไปกังวลเรื่องวิปัสสนาพยายามฝึกสติกับสมาธิสองอย่างให้มันได้จิดดตรวมซะก่อนจิตรวมนิ่งสงบเป็นเป็นอุเบกขาแล้วก็มีความสุขกับความสงมบพอ ม, มีความสุขแล้วมันจะมีพลังมีกำลังใจที่อยากจะนั่งสมาธิเมื่อกอนที่เหมือนกับต้องคอยเค้นคบขึ้นภูเขาแต่พอได้ผลจากการนั่งสมาธิแล้ามันเหมือนกำลันลงเขาแล้วมันอยาก มันสบายแล้วมันเรื่อว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการนั่นเป็นยังไรมันไม่หวั่นไหวกับความความลำบากที่จะต้องเผชิญในขณะที่นั่งสมาธิเพราะมันได้สัมผัสกับผลที่ไม่มีอะไรที่เหมือนกันที่เหมือนในโลกนี้ที่เหมือนกับความสงบเนี่ยแม้แต่เพียงแค่ช่วงขณะหนึ่งที่เรียกว่านิ่งช่วงมูแรกนิดหนึ่งคราแรกใหม่ๆมันครั้งแรกมันจะสงออบมันจะสงบแบบนั้นสําหรับแค่วับเดียว เพราะกำลังสติมันมีแค่นั้นมีพอที่จะทําให้จิตสงบได้แค่แวรบเดียงแต่มันก็จะเป็นเป็นมือนหนังตัวอย่างที่จะทําให้เรามีความติดอกติดใจที่อยากจะสัมผัสกับความสงบแบบนี้ที่เราก็จะมีวิริยะมีความเทียนมีฉันทะมีความยินดีมีอุเบกขา ม, มีจิตตะความใจเราจะคิดแต่เรื่องทำสมาธิ ไม่คิดถึงเร่องอืจอดจอยอยู่กับการนั่งสมาธิมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งบันเท อ, อันนี้แหละคือพูดวิธีการนั่งสมาธิแบบที่เราได้ทํามาก็มาเล่าให้ฟังครับถ้าไม่ละเอียดถ้าท่านยังไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถถามได้เพรามันอาจจะมีอะไรหลายอย่างถ้ายังไม่ปฏิบัติมันก็จะเข้าใจยาก ยพยายามเริ่มปฏิบัติไปเถอะแล้วมันจะค่อยเข้าใจไปมันจะมีประสบะการณ์ยังมีละมีอีกหลายคำถามเลครับอาจารย์ที่เพื่อนๆถามกันมาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปถึงคำถามเพื่อนๆผมกลับเรียนถามอาจารย์เรื่องเดินจงกรมอีกนิดนึงครับว่าเราจะไปปฏิบัติอย่างไรครับอาจารย์ครับเดินจงกรมก็เป็นการยืนรับสติไงเหมือนกับการทนเดินจงกรมนี่หมายถึงพวกที่ปฏิบัติทั้งมันทั้งคืน นั่งแล้วมันเมื่อมันทนไม่ไหว่ก็ต้องขึ้นมาปเปลี่ยระยาบเขาใช้การเดินแต่การการเจรินสติก็ต่อเหมือนกับตอนที่นั่งตอนที่นั่งเราดูลงไม้ใจก็ตอนที่เดินเราก็ดูเท้าเท้าที่ก้าวไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วก็ดูทางที่เราเดินด้วยข้างหน้าว่า ม, ม, ม, มีอะไรหรือเปล่ามีงูหรือมีอะไรหรือเปล่าเดินไปถึงจุดอ่สุดทานเราก็จะหานกลับแล้วก็เดินมา ก็ต้องมองถานด้วยแล้วก็มองเท้าเลยบางท่านก็จะใช้พุทโธไปก็ะด้ใดไปก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเป้าหมายของการแดก็ดว ค, วดคือกาควบคุมความคิดไม่ให้คิดนั่นเองครับผมได้หลักการแล้วครับอาจารย์ได้แรงกระตุ้นเยอะเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวครานี้เราต้องนั่งแล้วเนี่ยขอบคจารยนี้นี่นะครับ ผมขอโอกาสถามคาถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับอาจารย์ครับคุณวัชราครับบอกว่าเวลานั่งสมาธิไม่ชินกับการดูลมหายใจอย่างเดียวชอบจะหลับแต่พอมีพุทโธสมทับกับไม่ง่วงค่ะไม่แน่ใจว่าคนทําแบบไหนดีถึงจะสงบครับก็แบบไหนที่ที่ทํานั้วมันได้อยก็ทําแบบนั้นถ้าดูลมอย่างเดียวมันง่วงมาาันแสดงสติเรายังมีกํำลังน้อยการจะใช้ส า, ายพุทโธมาช่วยกำกับอีกน่ดหนึ่งก็ได้ คุณสุพิญญาครับบอกว่าก่อนจะนอนหลับเราก็พุโทโธพุดโธแต่บางครั้งอยากฟังเสียงพระอาจารย์เปิด youtube ฟังไปจนหลับแบบนี้จะได้ไหมคะบาปไหมเจ้าคะมไม่บาปล้วก็เพียงแต่ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังนอกจากเป็นยานอนหลับทา่านช่วยทาให้นอนหลับง่ายก็ได้เพราะถ้าไม่ได้ฟังไปใจก็จะคิเดเรื่องนั้นเรื่องนี้บาเทีมันก็จะฟุ้งไปมานอนไม่นอนแต่พอฟังทําไปใจมันก็คล้อยตามทิดตามธรรมะจึงเป็นของเย็ยนของสงบ อ่านไปแล้เดี๋ยวมันก็มันสบายมันกสติมันก็หมดมันก็หลับไปการไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์จากการทำธรรมแต่อยา่างใดนอกจากใช้การทำธรรมเป็นบรรยานอนหลับคุณมาลีบอกว่าจริงไหมคะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนั่งสมาธิมีคนสงสยยัยหรือขอถามมาเจ้าค่ะบ้าหรือเปล่ามันดูพระพุทธรูปรอร่านี้นั่งนั่งสมาธิเต็มไปหมด ครับพระพุทธเจา้าไมนได้เป็นลิงเป็นค้างถึงไม่ได้นั่งสมาธิู่พระพุทธเจ้าด้วยมันก็บอกแนละ้วท่านอยู่ในท่า น, นั่งสมาธิตลอดเลยนะครับแล้วอย่างนั่แปท่านก็มีสอนสมาสมาธิอยู่แนละ้วั บ, คบใครมาเรื่องอะไรมาพูดแ <c oughs> สางว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเลยครับไม่รม เ, เ, เรื่องเลยไม่มีพื้นฐานเลยผมกศึกษาธรรมจักรก่อนเธอธรรมจกกัรรมจกรกับบวัตนาสูตรครับ นักแบบมีอะไรบ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติแค่แปดข้อนี้ครับมันก็สรุปได้แต่เป็นศีลสมาธิปัญญาแปดนีค่คือศีลสมาธิปัญญามีในย t ท b e ครับอาจารย์บางช่องเขาเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะครับผมฟังแล้วผมก็ยังเสียดายคนไปฟังเขาหน้าสงสารนาสงสารทำไมนี่คนไม่รู้มาสอนเยอะครับสอนแบบอิทๆ คุณหอมแปมครับบอกว่านั่งสมาธิแล้วไม่ค่อยนิ่งไม่สงบแต่ชอบฟังธรรมของพระอาจารย์ฟังแล้วจิตจด จ, จ่อบแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะก็ได้ก็ฟังธรรมไปก่อนแต่ขอให้อย่านอนฟังให้นั่งฟังแล้วพอเจิตรู้สึกนิ่งสบงบสบายก็ลองทําต่อเราปิดเสียงทำแล้วก็ดูลองหายใจต่อเป็นการต่อยอดจะได้นํานําไปนานขึ้นสงบได้มากขึ้นคุณกัณฐิกาครับ ถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวโดยที่ไม่เดินจงกรมได้ไหมคะหรือต้องทําทั้งสองอย่างคู่กันคะ อ, อ๋อถ้าเราเป็นพวกปฏิบัติแค่วันละครึ่งชั่วโมงไม่ต้องเดินหรอกมันที่เขาเดินนั่นเป็นพวกที่เขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเพราะน้าบกสงชั่วโมงเขาก็เมื่อยแต่ก็อยากจะปฏิบัติ ต, ต่อเขาก็ต้องมาเดินจงกรมอีกสองชั่วโมงอันนี้เป็นพวกที่เป็นมืออาชีพปฏิบัติแบบมืออาชีพในเรื่ราแบบมือสมัครเล่นไ ม, ไม่ไม่ต้องเดินก็ได้ นั่นแค่ครึ่งยังหวงมันยังไม่ทันเมื่อเลยต้องไปทําอื่นนะก็เดินไปทําอย่างอื่นมันก็เป็นการเดินจบมันก็เป็นเดินจบกองมันไปเปลีป่ยนอุรนิยมคุณเมตตาครับแบอบกว่าคุณพ่อไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าประสูตยมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้ามีดอกบัวรองรับตอบคุณพ่อไม่ถูกคะ่ะไอเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่สําคัญอะไรมากนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ แต่มันก็คิดว่ามันน่าจะมีมีเหตุไม่งั้มันจะไม่มันมันจะไม่ติ่งในพระตาลปีดอกพระตาไปดอกที่มีผ้าหลังห้าร้อยรูปคอยสังเวยนาม า, มาตลอดแต่ถ้าพูดเปรียบเทียบกับความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าคนนี่มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่สติคนที่มีสติมากเนี่ยสามารถควบคุมร่างกายได้ ได้มากกว่าคนที่ไม่มีสตินะโดยคนเราเล่าเลยเดินโซซัดโซซัดโ ซ, โซเซแต่คนมีสตินี่สามารถเดินตรงได้แร้วถ้าคนมีสติระดับพระโพธิสัตว์นี่คิดว่ามันสามารถทําได้พ้อก้อนออกมาแล้วพอไม่แค่ข้อมาพบก็เดินแล้วะอาจจะพักสักพักก่อนนอนออกมาพอมีวิ่งมีแล้ ว, ว, วนั่งลุกขึ้นมาเดินอันนี้ดายลเอียดเขาไม่ได้บอกเราจะเป็นจินธนาการว่าพอข้อออกมาจากเท้าหน้าแล้วก็เดินเลย อาจจะเกินไปจำมั็นเด็กมันก็ยังเพิ่งออกมาจากคันมันเคยมันนอนมันต้องนานก็อาจจะต้องใหรอเวลาให้มันได้ตื่นได้มาก่อนพอเด็กตื่นแล้วมันมีสติมันก็สามารถทำให้ร่างกายลุกขึ้นมาเดินได้อันนี้เป็นไปได้นับเชื่อพราะดูเด็กสมัยนี้ที่มีสติปัญญาดีๆเเรียนเรียนจบมหาลัยอายุสิบขวบสิบเอดขวบสิบสองขวบนี่ก็จบกันได้ใช่ไหมครับ มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความรู้ความสามารถมันอยู่ที่ใจ ค, คุณสมพรครับบอกว่าภาวนาคือการบริการพุทโธใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกคาว่าภาวนาคือการพัฒนาจิตใจให้จะลกระดับจากบุตรชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลพูด ง, ง่ายๆลกระดับจากจิตของบุตุชนให้ไปเป็นจิตของพระอริยบุคคลเป็นพระพุทธเจ้า ต้องมีการภาวนาภาวนาก็มีสองระดับสมถะและวิปัสฉนาภ า, าวนาสมถะก็คือขั้นตอนทําใจให้นิ่งใหนน้สงบให้มีกําลังให้มีกลังนิ่งสู้กับกิเลสก่นแล้วเมื่อมีกําลังนิ่งแล้วก็ไปสอนจิตให้รู้ว่าเวลากิเลสต้องการอะไรให้หรือว่ามันเป็นการพาไปเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์สิ่งที่กิเลสอยากได้เป็นไตรลักษณ์ พอเห็นได้ปัญญาวเป็นการไป ห, หาความทุกข์ถ้ามีกําลังนิ่งก็จะหยุดได้หยุดคำอย่างาได้ก็จะเป็นผ้าเรียบบุคคลขึ้นมาได้ยังคำว่าภาวนาขึ้นเป็นการสร้างสิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้นเราไปเปิดดูสั์ดูกันนะแต่ถ้าเราพูดแบบรวมๆก็หมายถึงการภาวนาการภาวนานก็จะเรียกว่าพูดโธงก็ได้ดูมลมหลายใจก็ออกก็ได้วิปัสสนาก็ได้มันเป็นคํารวมๆที่มาใช้แทนกัน ในในเช่นเวลาที่เราพูดคุยกันแต่ถ้าต้องกางสรสับโดยตกออกมาในคำว่าภาวนาะคือการพัฒนาจิตใจคุณคฤติารร <c oughs> ายงานผลนะครับตั้งแต่ปฏิบัติธรรมแล้วทุกน้อยลงมากจริงๆค่ะทุกครั้งที่รู้สึกทุกข์ขึ้นมาลูกก็มานั่งพิจารณาว่าทำไมเราถึงทุกข์กำลังอยากในสิ่งที่เราไปกำหนด หรือไปห้ามไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็ละความอยากลงได้ใจก็ไม่ทุกข์ค่ะลูกจะพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นกราบขอบพระคุณคําสอนจากะอาจารย์ครับนั่นแหละเข้าใจหลักอริษษษษษษยสัจสี่เลยจะทําให้ความทุกข์นี้มันมันน้อยลงไปทุกข์มันเกิดจากความอยากน้อยเองคุณชุรีรัตน์ครับนั่งสมาธิบนเก้าอี้ได้ไหมครับได้นั่งที่ไหนก็ได้ เป็นแต่ว่าถ้านั่งที่ดีถ้าต้องการจะนั่งได้ น, น, นานๆนี้ถ้านั่งขัดสมาธินี้ดีที่สุดแต่ถ้ายังนั่งไม่ได้อาจจะมีมีปัญหาเรื่องร่างกายก็นั่งเข้ายีไปก็ได้แต่มันจะนั่งไม่ได้นานเท่ากับกานั่งนั่งขัดสมาธินั่งไปักาพังมันนั่งกายมันอาจจะเองก็อาจจะทำให้ล้มได้ง่ายกว่าแต่ถ้านั่งด้วยด้วยขัดสมาธินี้มันมีฐานที่กว้าง ท้าที่เรานั่งเห็นมันจะเป็นฐานที่ดีแล้วมันจะทําให้การที่ยะเอ็นแล้วล้มเป็นไปไมได้อาจารครับแล้วถ้าวางมือโดยส่วนใหญ่ที่เราเราก็วางมือทับซ้ายาทับซ้ายแตวางไม่มที่หน้าตักมีบางคนก็อย่างนี้ อ, นอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ความความพอใจแต่แต่เท่าที่กูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยบอกถ้าเป็นท่าที่สํารวจที่สวยงามที่สุดก็ควรนั่งในท่าแบบขวาทับซ้าย เท้ากับขวาทับซ้ายมือก็มือก็ขวาทับซ้ายแล้ววางไว้ที่หน้านตักอยจะเอาแบบไหนก็ได้มันไม่มีใครกําหนดตายตัวมันไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่สติเนี่ยนั่งท่าสวยยังไงถ้าไม่มีสติก็ไม่มีผลก็อยา่ามาเถียงเรื่องท่านั่งก่อนนะเรื่องสติมีสติหรือไม่มีสติเทา คุณดุษณียาครับพยายามนั่งสมาธิมาหนึ่งปีแล้วแต่ว่าจิตวอกแวกมากไม่อยู่ในลมหายใจนั่งไปสักแป๊บหนึ่งจะรู้สึกว่าอื่ น, นๆมึนๆเวียนหัวทำอย่างไรครับก็เนี่แหละไม่ได้ฝึกสติมาก่อนไงเรามาทาตอนที่เราน่งนมันก็มันก็เครียดขึ้นมาเพราะจิตมันไม่เคยลดความเร็วลงเลยเพราะอยู่ดีๆจะมาบังคับให้มันจอดปั๊บนี่ ม, นมันก็จะต่อต้านขึ้นมานนทันี ยังต้องพยายามผ่อนความเร็วผ่อนความคิดให้มันน้อยลงไปด้วยการเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งตั้งแต่ต่นขึ้นมาเลยเรามีเวลาช่วงไหนที่จเจริสติได้หยุดความคิดได้ครก็ควรจะหยุดมนันโดยชะลอมันลงมากเพื่อที่เวลาที่เราจะมานั่งสมาธิมันจะได้ง่ายมันจะไม่นุ่งเสกว่ามันจะมีการต้องใช้กําลังมากถ้ามันคิดมากต้องใช้กําลังอยู่มาก ยิ่งทางฝ่ายทางใช้กาลังมากก็เลยเซ็ตมีอาการตึงเครียด ข, ขึ้นมาหรือเมื น, ม, นมืนหัวเวมนชีสระได้คุณครูพลอยครับอยากวางใจเป็นอุเบกขาแต่เราเป็นหัวหน้างานต้องควบคุมการปฏิบัติงานของลูกน้องบางครั้งต้องมีความขัดแย้งเพื่อให้ลูกน้องบางคนปฏิบัติตามหน้าที่แต่พอวางใจเป็นอุเบกขาทําให้องค์กรเกิดความไม่เป็นระเบียบวินยัยขอแนวทางปฏิบัติให้เกิดความพอดีค่ะ อ๋อไม่จริงหรอกเขว่ า, าอุเบกขาไม่ได้ไหมายความปล่อยให้เละเทะไม่ใช่อย่างนั้นการเป็นวาอุเบกขาก็คือการควบคุมความอยากของเราให้มันอยู่ในกรอบของความเป็นไปได้เรนมีหน้าที่ต้องปัดเตือนมากกต้องต้องให้เขาทำงานปฏิบัติตามกฎตามระเบียบแล้วก็ทำไปอันนี้มันก็เราตัดใจเราเป็นอุเบกขาคือเขาจะทำไม่ทำเราไม่ไปวุ่นวายไปกับเขา ถ้มามีหน้าที่บอกเขาสั่งเขาเราก็บอกไปสั่งเข้าไปถ้าก็ไม่ทําแล้วก็มีหน้าที่ที่จะลงโทษเขาก็ลงโทษเข้าไปแต่ใจเราไม่ไปวุ่นวายกับการทำลายของเราเข้าใจไหมไม่ไม่ไม่มีความวุ่นวายว่าจะต้องเอาชนะเขาให้ได้เขาต้องทําตามที่เราสั่งถ้าเขาไม่ทําตามที่เราสั่งแล้วเราจะต้องโกรธแค้นโกรธเคืองรับอันนี้ไม่ใช่ถ้ามีอยู่เบ็ดขาวเรจะไม่มีอาการเหล่านี้จะไม่มีการโกรธแค้นโกรธเคืองไปแจะทํำลายด้วยเหตุด้วยผล แล้วก็ดูความเป็นไปได้าเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นไปไม่ได้ถ้าบุคคลคนนี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของเขาได้ก็เตือนเขาได้บอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนงานนะคุณถ้าไม่สามารถทํางานตามองค์กรต้องการให้คุณทําได้เขาพูดได้ของพวกนี้ไม่ได้หมายคถึงพูดไม่ได้ทําไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าใจเราอยากไปมีมีอัตราตัวตนนั่นเองพูดไปตามหลักของเหตุผลพูดไปตามความเป็นจริง ผิดเขาว่าผิดถูกเขาว่าถูกไปเท่านั้นเองพูดไปตามเนื้อผ้าคุณไทยๆบอกว่านอนทําสมาธิได้ไหมครับก็หลับนถ้าอยากจะหลับก็นอนทําสมาธิอยูครับคนที่จะทํานอนทำสมาธิไม่หลับก็คนคนที่มีมีสมาธิชํนานาญเข้าออกในสมาธิแล้วแต่ก็ยังหลับได้ยังมันมันไม่ยังจะหลับง่ายกว่าท่านทาสมาธิ ถ้าเกิดมีความจําเป็นที่นั่งไม่ได้ก็นอนทำสมาธิก็ได้เช่นเวลาเจ็บคข้ได้ป่วยโอกาสที่มันจะเข้าพลังหลับมันจะมีมากกว่าเข้าสมาธิถ้าเราไม่มีกับสติมากพอแต่ถ้าเรามีสติมากพอเราสามารถนอนเข้าสมาธิได้คุณสมพรครับบอกว่าโยมมีทานศีลแต่อ่อนภาวนาเพราะไม่รู้ว่าต้องทําภาวนาอย่างไรต้องทําเพิ่มอะไรอย่างไรครับ นี่ไก็ฟังเนี่ยตั้งแต่ต้นมาก็สอนวิธีภาวนาให้ฟังนะถ้าไม่ได้ฟังแบบต้นก็เดี๋ยวกลับไปดูยอด้อนหลังก็แล้วครับคุณอัจชนิพรครับเมื่อนั่งสมาธิไปได้สักพักหนึ่งแล้วเกิดอาการปวดขาแทบหักจะเริ่มใช้ปัญญาได้เลยไหมคะหรือต้องทําสมาธิให้จิตรวมหรือสงบก่อนเจ้าคะใช่ทำใช้จิตรวมก่อนอย่าไปใช้ปัญญาเมื่อปัญญาแล้วเราไม่มีกาลังที่จะใช้ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้คําปฏิกรรมดีกว่าถ้าเกิดอาการปวดตรงไห น, นก็ใช้คำปริกิริยพุโทโธพุโทโธให้มันฝากเป็นฝากตายไปกับคําว่าพุโทโธเนี่ยอย่าไปสนใจอาการปวดมันจะปวดมันจะปวดจนตายให้มันปวดจนตายไปแต่เราจะเกาะติดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าเราอยู่พุโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวสักพักหนึ่งจิตมันสงบแล้วอาการปวดมันก็จะชั่วเราหรือหายไปก็ได้หรือมันถ้ายังมีอยู่มันก็จะไม่มาทําให้จิต วันไได้จิตพอจิตสงบแล้วจิตจะวางเฉยได้คุณนิชภ า, าครับบอกว่านั่งสวดมนต์ที่เก้าอี้โต๊ะทํางานได้ไหมคะนั่งขัดสมาธิแล้วปวดเข่าค่ะได้การสวดมนต์นี่คืเป็นเรื่องของใจเแต่ว่าถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เขามีกดมีระเบียบเช่นไปอยู่วัดเองเขานั่งสวดมนต์กันเราไปนั่งแลต่บางคนคนแกเขาก็เอน้ตลมให้มีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็นั่งสวด แตถ้าถ้านั่งพักเพียทบทำตามระเบียบเขาได้ก็ก็จะดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนั่งเกาเอีสวยก็ได้คุณโ ย, โยโยบอกว่าทําสมาธิแล้วพบว่าดีครับแต่ติดที่ยังทําไม่สม่ําเสมออยากได้หนทางเสริมกําลังใจไล่ความขี้เกียจครับก็กําหนดตารางเวลาทุกวันแต่ว่าเวลานีนเราจะมีไว้สำหรับการ น, นั่งสมาธิ ถ้าวันไหนเราไม่ได้ทำเราก็ต้องลงโทษอาจจ ะ, ะบางครั้งให้เอาเงินไปทำบุญทักร้อยบาททุกครั้งที่ไม่ได้ทำสมาธิก็ต้องทำทแทนครับ <c oughs> มันก็อาจจะต้องมีมาตรการลงโทษกิเลสนี่ไม่ได้ลงโทษตัวลงโทษกิเลส <c oughs> กิเลส <c oughs> คือความเกียจข้านันไม่ยอมทำเราต้องลงโทษ อ๋อมันต้องฟังเนื้อฟังเงินออกฟังกับนี้มันรับนั้นเสียเป็นหมื่นแน่เลยเขาสักก็เหมือนสมัยที่เอนเรียนหนังสือที่โรงเรียนโรงเรียนแจ๊บเดย์ที่เขามังค้าให้พูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนถ้าถ้าครูเห็นได้ยินนักเรียนพูดภาษาไทยจะปรับหนึ่งวันพอโดนปรับตั้ครั้งสองครั้งนี้ไม่พูดภาษาไทยโอ อยายพูดภาษาไทยต้องมองรอบด้านก่อนไม่มีใครรู้ป่ะพระอาจารย์เลยเก่งภาษ<พ>าอังกฤษตั้งแต่เด็กเลยนะครับพระอาจารย์ต่อไปมันเลยชินแราวทุกคนก็เลยพูดภาษาอังกฤษดีกระพูดภาษาไทยนะมันใหม่ๆน้าไจะเคยินไงใหม่ๆมันเคินมันก็เลยแต่พอถูกบังคับให้พูดจะไม่พูดก็จะถูกปัะนี่มันก็เลยต้องพูดไปพอพูดไปแล้วมันก็เริ่มชินขนาด ม, มันก็พูดไปอัตโนมัติ คุณสายป่านครับนั่งสมาธิได้แต่เดินจงกรมไม่ได้อย่างนี้ผิดปกติไหมครับถ้านั่งสมาธิได้มันต้องเดินจงกรมได้กันแต่เราเดินไม่เป็นนะเพราะการเดินจงกรมก็เหมือนกัรนั่งสมาธิใช้สติอย่างเดียวกันเราก็เดินเป็นอยู่แล้วนี่เดินเราก็เดินเป็นการเดินจงกรมก็เดินออกไปกลับมาระยะทางทําเดินยประมาณสิบห้าเก้าถึงยี่สิบเก้าเป็นไป แล้แต่สะดวกแตถ้าไม่มีทางเดินอาจจะเดินรอบบ้าน ก, ก็ได้เดินรอบห้องก็ได้อันนี้สําหรับผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือนลังจากนั่งสมาธิจนเมื่อยทนไม่ไหวนั่งไม่ไหวแล้วแต่ยังไม่อยากเลิกก็รุกขึ้นมาเดินสมาธิต่อเดินยืนกรงก็คือการเดินสมาธินี่ มีคำถามจากครับเฮาส์ค่ะพระอาจารย์บอกว่าที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงคือสุนัขคือตัวหนึ่งเราอยากให้เขาได้บุญกับเราโดยเวลาเราไปทําบุญกลับมาแล้วมานั่งคุยกับเขาว่าเอาบุญมาฝากนะขอให้บุญนี้ถึงเจ้าเจ้าได้รับบุญนี้ด้วยกันไม่ทราบว่าอย่างนี้สัตว์เลี้ยงได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกแม้แต่คนก็ไม่ได้สัตว์มันฟังไม่รุ่งเรื่มเราพูดเลยบุญมันเรื่องที่มันต้องใช้ความคิดพิจารณาด้วยปัญญาถึงจะเข้าใจ ปัญญาของชุนักนี่มันไม่สามารถเข้าใจเรื่องลึกซึ้งเหล่านี้ได้แม้ mm hmm. มันจะเข้าใจมันก็ไม่ได้บุญ mm hmm. เพราะบุญนี้เกิดจากการกระทํำของแต่ละบุคคลบุญใครบุญมันทําแทนกันไม่ได้พระทำได้พระเจ้าทําแทนพวกเราหมดแล้วทําให้พวกเราไป็นนิพพานกันหมดแล้วพวกเราไม่ต้องทําอะไรมีคุณและพี น, นันรายงานผลนะคะพระอาจารย์บอกว่า ติดตามพระอาจารย์ให้ลูกศิษย์นังสมาธิพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมากด้วยวิธีปฏิบัติกรกรรมพุทโทยอย่างเดียวแค่ลูกตามเฟซบุ๊กทุกวันตอนป่ายสองมาหาเดือนและได้ไปกราบตัวจริงพระอาจารย์สครั้งครับก็ยินดีได้ยินได้ฟังคนที่ได้ปฏิบัติและได้ผลนี่มันก็ทําให้มีกำลังใจาการการซอนเมืานี้มันไม่ไม่ไม่มไม่ไมร้ประโยชน์นะมีคููที่ได้รับประโยชน์จากการพระมันก็จะทําให้ ผู้ปฏิบัติผู้สอนนี่มีกำลังใจที่จะสอนต่อไปแต่ถ้าสอนแล้วมีแต่บอกไม่มีใครได้ผลใดก็ไม่รู้จะสอนไปต่ตไหมคุณคุณชินครับบอกว่านั่งสมาธิมาหนึ่งปีแล้วแต่จิตวอกแวกมากอ๋ อ, อนี่ถามแล้วครับขอบคุณครับอาจารย์คุณอัญชลีครับ เวรกรรมสามารถตกทอดไปที่ครอบครัวคนรักได้ไหมคะเช่นเวรกรรมของผู้ชายที่ไปหลอกผู้หญิงไว้เยอะยอะพอบุคคลนั้นมีลูกสาวจะมีผู้ชายมาหลอลูกสาวของตนเองไหมคะไม่หรอกของไทยของใหม่ไม่ได้ไปตกทอดคคุณซีนะครับ บอกว่าสอบถามพระอาจารย์สำหรับคนที่นับหนึ่งสองล้มลุกคุกคลานอยู่ว่าการเริ่มต้นทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งสบายและผ่อน courage, คล evet. าย <S <S ควรเป็นอย่างไรเคยลองปฏิบัติด้วยการภาวนาคำว่าพุทโธตามที่พระอาจารย์บอกเสมอแต่ไม่แน่ใจคือหายใจเข้าพุทออกโรไปเรื่อยๆและจะต้องใช้คำบริกรรมนี้ตลอดเวลาในการนั่งไปจนจบใช่หรือไม่ตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะจิตยังตั้งมั่น และสงบถึงฐานไม่ได้คือฟุ้งบ้างนิ่งบ้างเป็นระยะระยะแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเดินได้ถูกทางครับก็นังว่ามันยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางวิธีการที่ทับก็ถูกแล้วถ้าเราดูลมแล้วก็ว่าพุทโธพุเข้าทโธออกไปเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ต่อเนื่องไม่สม่ําเสมออาจจะพุเข้าวโธออกได้สองครั้งแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้ามันอยู่กับพุทโธอย่างเดียว อยู่กับนมอย่างเดียวนี่5นาทีมันก็เข้าสุขวามสงบได้ยันที่มันเข้าไม่ได้ก็เพราะว่าพุโทโธการดูนมกับพุโทโธเรามันไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนี่ยมันขาดตอนมันพุโทโธได้แค่ 2-3 วินาทีแล้วก็แวบไปกินเรื่องถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วหรือไปเก่าตรงนั้นไปเก่าตรงนี้แลไปข ย, ขยับตรงนั้ขยับตอนนี้ถ้าทําอย่างนี้มันก็นั่งอย่ก็ไม่ถึงฐานถึงฐานไม่ได้ <c oughs> คุณอัญเชลีบอกว่าอยากไปถวายสังฆทานพระอาจารย์ต้องทำอย่างไรคะก็ไปที่วัดเนี่ยที่วันเริ่มมาฟังเทศไม่ก็มีสองเวลาถ้าสาวอาทิตย์กับวันพระก็ช่วงบ่ายสองโวงมาที่กุเตมาฟังเทศเทศเสร็จก็จะมีการถวายข้าวของต่างๆอีกช่วงหนึ่งก็คือวันธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นวันสาวอาทิตย์หรือวันพระมันเวลาราชการก็มาที่ศาลามาถวายอาหารที่ศาลาตั้งแต่ตั้งแต่ เจ็มดมงึ่งไปถึงประมาณเก้าโมงครึ่งได้หรือถ้าจะมาใส่บาตก็มาที่บ้านอำเภอใส่บาตแล้วก็ถวายสังฆทานที่ที่ใส่บาตรใดก็นด้ขณะที่ใส่บาตก็มีของถ ว, ว, วายสังฆทานก็ถวายตอนนั้นได้เลยเพียงแต่เราจะไม่มีพิธีกรกล่าวคำถวายสังฆทานเลยเราแบบเราแบบพระป่าวัดฝ่าไม่มีพิธีกรรมไม่ต้องกล่าวคำถวายเอาแต่เนื้อเนื้อเอามันเนื้อของการ การวายสงงางปรธานก็คือการให้ให้ไปเลยได้รุนเท่ากันคุณกิศนพลครับโปรดแนะนําเทคนิคการปล่อยวางความคิดขณะนั่งสมาธิด้วยครับผมเอาจิตจับลมหายใจหรือท่องพุโทโธได้แป๊บเดียวจิตก็เผลอไปคิดแล้วครับก็ต้องอย่างต้อนึงมันกลับมาใหม่ต้องอยู่กับพุทโธไม่อ ย, อยู่กับลมไปเรื่อยๆมันต้องยอมหยุดความคิดได้ จะคุณสมพรครับบอกว่าตอนโยมภาวนาพุทโธพุทโธเสมือนจิตเคร่งเพราะเสมือนไปบังคับจิตให้พุทโธต้องแก้อย่างไรดีครับแก้ไม่ได้หรอกมันจะแข่งปล่อยมันแข้งไปมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กันนะมันการชักกระเยือกันระหว่างสติกับกิเลสกิเลสมันอยากคิดสติจะหยุดคิดมันก็เลยต้องดึงมันไปดึงมันมามันก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาอันนี้ต้องทนนะนั่นต้องใช้ขันติ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแ พ, มม พ, พ, มพม้มันก็หายเครี้ถ้าเรายอมแพ้เราหยุดพุทโธเมื่อไหร่เรื่มภาวนาเมื่อไหมันก็หายเครียดทันทีแต่ไม่ได้ผลอะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าคิดเราสู้ไม่ถอยให้กิเลสบรรยอมแพ้พอกิเลสบรรยหยุดปั้บใจจะสงบนิ่งเราก็ได้ผล ไ, ได้ความสงบขึ้นมาแล้วความเครยียดก็หายไปด้วยแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเครยียดเพราะเราเรารู้ว่ามันเป็นเป็นเหมือนกับการปลีนภูเขาปีนภูเขามันก็ต้องเหนื่อย แต่พอมันถึงยอดแล้วมันสบายยได้ชมวิวสวยๆองงามมองไปสุดขอบฟ้าเลยเน้อกอดทนคนที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเนี่ยมีมีมีคุณธรรมสีข้อที่จะที่จะทต้องมีท่านจะพบประสบความสำเร็จคือหนึ่งต้องมีความตั้งใจมันตั้งใจว่าวันนี้จะนั่งสมาธิต้องคิดไปก่อน เ้าก็ต้องมีความแน่วแน่หรือมีความซื่อตรงกับความคิดตั้งใจจะทําแล้วต้องทําตามที่เราคิดเรียกว่าสัจจะอันแรกเราเรียกว่าอธิษฐานอนธิษฐานคือความตั้งใจกําหนดการ ก, การทำของเราว่าวันนี้จะทําอะไรเช่นวันนี้จะนั่งสมาธิกี่รอบพอถึงเวลาก็ต้องนั่งถ้าถึงเวลาแล้วไม่นั่งก็แสดงว่าไม่มีสัจจะหลอกตัวเอง พอถึงเวลาก็ต้องนั่งถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรมาบังคับไม่ให้นั่งก็ถ้าถ้าหลีกเลี่ยงได้ถ้าฝืน ไ, ได้ก็ฝืนไปเช่นมีกคนมาชวนให้ไปทําอะไรอย่างอื่นแตถ้าเราบอกเราตั้งใจจะนั่งแล้วเราก็ต้องปฏิเสธไปเราต้องจะมีสัจจะมีอธิษฐานแล้วก็มีสัจจะสองคํานี้มักจะไปคู่กันสัจจะอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งสมาธิกี่วินาทีเวลาไหนก็ว่าไป พอถึงเวลานั้นก็ต้องทําพอทำแล้วพอถึงเวลานั้นก็ต้องทําการกระทาเรียกว่าความเพียรก็ต้องมีความเพียรไม่อย่าพอถึงเวลานั้นก็รอเลยขยับนู่นขยับนี่ทํานู่นทํานี่มันก็ไม่ได้ทําต้องต้องมีความเพียรพยายามมีวิริยะแล้วข้อที่สี่ก็ต้องมีความอดทนเพราะเวลานั่งมันไม่สบายแล้วนอนตอนเริ่มต้นใหม่ๆมันจะอดัดมันจะรู้สึกทำแล้วมันมันขัดไปหมดนะ ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาใหม่ๆนีม่มันจะรู้สึกยากหรือดันปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้แน่นหน้า อ, อกนั่นอะไรต่างๆไปก็ต้องอย่าไปสนใจมันเป็นเป็นภาพลวงของกิเลสมันสร้างให้นมาหลอกเรานั่นเองความรู้สึกของกิเลสมันสร้างเป็นมาหลอกเราเพื่อให้เราท้อเพื่อให้เราเลิกงั้นเราต้องมีขันติมีอธิษฐานสัจจะมีวิริยะแล้วก็มีอธิษฐานอเมมคันติ ถ้ามีคนทำสี่ข้อนี้แล้วสามารถทำอะไรทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จได้พระพุทธเจ้าตัดสัุก็เพราะมีสี่ข้อนี้นั่งตั้ง น, นั่งนั่งที่คนต้นโพลแล้วก็ตั้งสัจจะทิฏฐาว่าจะขอนั่งภาวนาตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสัลโถ้ายังไม่พ้นจากความทุกข์จะไม่หลุดจะไม่รู้ก็จากที่นั่งนี้ไปถึงแม้เลื่อนได้ห้างร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะจะไม่มีวันลุกจะลุกก็ต่อว่า กา้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่ไม่เหลือจะให้หมดสิ้นไปนลเท่านั้นอออพออ่างนี้แล้วก็ไม่มีทางเดียวเราต้องนั่งภาวนาไปก็ต้องทําความเพียรไปเพียรเพียรเจริญสติเพียร น, น, น, น, นั่งสมาธิไปเพียรเจริญปัญญาไปเราก็ต้องอดทนต่อความรู้สึกเป็นอัดรู้สึกควารเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ตามนั่งกายต่างๆถ้ามีสี่ข้อนี้แล้ว ก็ตัดการรู้ได้คุณจ้าตัดการรู้เพราะเป็คุ ณ, ณธรรมสี่ข้อนี้คุณนัทวดีครับบอกว่าทําสมาธิอย่างเดียวไม่ทําฐานได้ไหมครับมันคนละมันก็ละระดับกันนะถ้าทําฐานได้ด้วยมันก็ถ้ามันก็มันคือทานมันสนับสนุนสมาธิถ้าเราไม่ทําฐานนี่เราจะวุ่นวายกับเรื่องเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ทำไมไม่ทําทานเพราะเสียดายเงินทองไม่อยากจะได้เงินทองมากๆก็เลยไม่อยากจะทําทานถ้าอยากได้เงินทามากๆมันก็จะเอาเวลาไปหาเงินเราเพิ่มมันก็จะไม่มีเวลามาทําสมาธิดการทําทานนี้เพื่อให้เราตัดความโลภจากการอยากจะมีทรัพย์มากๆให้ให้มีเงินพอเลื้อยปากเลื้อยเท้าก็มอส่วนที่มีเงินก็ได้เอาไปทําบุญทําทานสิ ไม่เอาไปใช้ซื้อความสุขทางตาของจะบอกยิ้มกายเพราะมันเป็นการสวนทางสู่การไปทําใจให้สงบนัะนเี่ถ้าเรายังมีทรัพย์อยู่ยังใช้ทรัพย์อยู่เพื่อซื้อความสุขทางตาอยู่าการไปทําสมาธิก็จะไม่เกิดประโยชน์เลยไม่เกิดผลเลยเพราะมันเป็นคนละทิศทางกันถ้าเราอยากหาความสุขจากมือเสียงกินเ ล, ล่าอยู่การจะไปทําสมาธิให้เกิดผลนี่มันเป็นไปได้ยาก คุณซีดครับ <c oughs> ดีใจที่มีเรื่องนี้เพราะเวลาไปปฏิบัติธรรมแต่ที่ก็จะเหมือนไปเริ่มใหม่ในการเดินจงกรมบางแห่งก็ให้เดินธรรมดากําหนดซ้ายพูดขวาโทบางแห่งก็เดินสามสี่จังหวะไม่ทราบว่าเดินแบบไหนดีและหลักในการเดินที่ถูกต้องคือยังไงครับถูกต้งก็คือเราสบายแบบไหนแล้วก็แบบนั้นนล้วได้ผลดีคือเราสามารถควบคุมความคิดได้ไม่ให้ปล่อยไม่ปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องแนวต่างๆได้เก็แบบนั้น คุณธุรีมาตรครับขณะนั่งสมาธิเราต้องวางใจอย่างไรครับอาจารย์ก็ต้องมีสติอยู่กับพุทโธและอยู่กับลมหายใจองคุณสมพรครับเดินจงกรมคือเดินอย่างมีสติเท้าย่างเหยียบเดินต้องมีสติเช่นเดียวกับพุทโธกําหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าครับเข้าได้หรือไม่ต้องไม่ต้องเท้าย่างเหยียบก็ได้ให้รู้ว่ากําลังถัดข้าวเท้าซ้ายเท้าวขวาไปก็พอก็ได้ ความหมายก็คือให้เรามีอะไรทําเพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองคุณพีโกครับควรพิจารณาอะไรหรืออย่างไรให้จิตเห็นความเบื่อหน่ายครับพิจารณาความไม่เทีย่ยงทสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาครอบครัวที่คุณมีอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้สักวันหนึ่งมันก็จะต้องสิ้นสุดลงไม่ว่าคุณจะมีอะไร ในในที่สุดคนก็จะต้องสูญเสียมันไปหรือไม่เช่นนั้นคุณก็ต้องจากมันไปเช่นร่างกายของคุณก็ต้องมีวันสิ้นสุดตัถ้าคนแหมีความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาไม่รู้จะไปหามาทําไมหามาแล้วในที่สุดก็ต้องเสียไปต้องหมดไปอันที่จำ คุณเจตครับบอกผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษบาปไหมครับก็มีส่วนนะเพราะมีส่ว น, เ ป, นเป็นผู้สั่งไะครับใ ห, ให้ให้เขาไปไปไปฆ่าทําเองก็ดีแล้วสั่งให้ผู้อื่นเขาทำก็ดีก็ถือว่าปคุณปฤดกมน์ครับตอนนี้ในชีวิตมีความสุขทุกขอย่างแต่ทุกเรื่องสุขภาพมากจะต้องเอาสติไปจับตรงไหนครับ ก็จับที่เรื่องสุขภาพสุขภาพมันเป็นของไม่เทีย่ยงร่างกายมันในสิ่งมันก็อนี้พ้นความเจ็บไข้ให้ป่วยความตายเป็ไม่ได้ให้คขึ้นบ่อยๆแล้วยอมรับมันให้ได้แล้วใจก็จะไม่ทุกกับมันคุณฟีครับในการนั่งสมาธิปัจจุบันนั่งภาวนาพุทโธดูลมหายใจพอเริ่มเบื่อก็จะเปลี่ยนเอาจิตไปดูที่อวัยวะต่างๆคือเกสาโลมานขาดันตาตะโจทําแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ควาจริไม่ควรจะเปลี่ยนถ้ามันไม่มีเหตุผลถ้ามันเบื่ อ, อนนี้ไม่ควรจะเปลี่ยนมันจะดูดูดูลมหายใจอย่างเดียวไปเพราะมันจะได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าเปลี่ยนไปนี่มันมันก็เหมือนกับไปการคอยหลังถ้าเราไปาดูอวัยวะต่างๆไปดูเกระแสลมานี่มันเป็นการทําให้จิตเริ่มทํางานอยู่แล้วมันต้องการดูอย่างเดียว ถ้าตอนเริ่มต้นนี้อาจจะดูเกสรออกมาไปก่อนก็ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งล้วต้องมาดูลมอย่างเดียวหรือถ้ายังดูเกสรก็ดูอาการใดอาการหนึง่งเพ่งมันอาการนั้นอาการเดียวอย่าให้มันเคลื่อนไปหาหลายๆอาการถ้่อาจจะดูเกสรอย่างเดียวเมื่อดูกระดูกอย่างเดียวกันทต้นก็เพ่งอยู่กับอาการนั้นอาการเดียวแต่ถ้ามาเคลื่อนไหวอาการทันทีสองนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นการถอยกลับไป เป็นการมั น, มอนบอกเอตการที่เราใช้เวลาที่ร่างกาที่จิตมันคิดมากเราก็เลยเอามาให้มันคิดทางเกสาลงมาไปะพอจิตมันไม่คิดมากแล้วมันดูงลมได้แล้วแล้ ว, ลวกลับไปเปลี่ยนไปเกสรมันก็เหมือนกับเหมือนกับเดินถอยหลังไม่ได้เดินเข้าหน้านถ้าเราดูงลมหายใจแล้วต้องอยู่กับลมหายใจไปอย่างเดียวถ้าไม่อยากจะพูดโธหยุดพูดโธได้แต่ยังต้องดูลมหายใจอย่างเดียว มันไม่มันไม่ยากก็ดูลงไปมันไม่น่าจะเบื่อตงไหนดูมันหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นคุณแองเจาครั บ, รบฟังทมจรพอเข้าใจลองปฏิบัติแต่รู้สึกเศร้าหมองเจ้าขาขอคำแนะนำครับก็อย <c oughs> ่างที่พูดใหม่ๆเวลาจิตถูกควบคุมมาคับกีเล่มันก็เลยมันไม่ชอบก็เลยแสดงอาการ ต, ต่างๆขึ้นมาเป็นสร้างอุปสรรคให้เราไม่อยากปฏิบัติ มันเป็นทุกข์ที่กิเลสสร้างความเศร้าหมองก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการอยากจะไปวิ่งเต้นอยากจะทํานู่ทนทํานี่พอถึงบามาขับให้นั่งเฉยๆมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมให้มันไม่ให้คิดพอมันหยุดคิดความเศร้าหมองมันก็จะหายไปความคิดก็คือคิดอยากจะไปทํานู่นทํานี่พอไม่ได้คิดเดี๋ยวมันก็ความความเศร้ า, ามหมองก็จะหายไป คุณธุริมาศครับการปล่อยวางต้องเริ่มวางจากการกระทําของเราหรือวางที่ใจก่อนดีคะที่จะทําให้เราปล่อยวางได้เร็วที่สุดครับวางในสิ่งที่มันทำว่าเราทุกก่อนอันไหนที่มันทำว่าเราทุกปล่อยตัดมันไปอย่าไป ม, มีมันถ้าสามีทำให้เราทุกก็ตัดมันไปครับถ้ามีอะไรที่ทําให้เราทุกตัดมันไปการปล่อยวางเพื่อเพิ่มเพื่อเพินความทุก คุณสนั่นครับเคยนั่งได้นานสุดเกือบชั่วโมงแต่ก็สงบมากไม่สงบมากไม่สงบบ้างเวลาอยากสงบกับไม่สงบเวลาวันไหนไม่อยากคือนั่งแบบสบายๆก็เหมือนสงบใจเบากายเบาแต่พออยากสงบตอนไหนพยายามจําตอนที่สงบกลับทําไม่ได้คือเป็นแบบนี้ตลอดตลอดแก้จุดไหนก่อนครับก็เพราะเวลาทําความสงบนี้มันไม่สงบเพราะความอยากมันสงบเพราะความมีสตินั้นก็ให้มีสติอยู่กับการ การกระทําเช่นมีสติอยู่กับลมหายใจอย่าไปมีความอยากเพราะมีความอยากนะมันก็จะไม่มีสติอยู่กับลมหายใจมันจะไปอยู่กับความอยากพอไปอยู่กับความอยากมันก็ไม่สงบตรงนั้นเองอย่าอย่าไปอยากให้มันสงบให้มีสติอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธไปจะคุลภาขวัญครับถ้าวันใดที่เรารู้ตัวเหมือนจะจากไปเช่นอาจป่วยหนักแล้วจะไปไม่รอด โยมควรจะสวดอะไรในใจก่อนจากไปเจ้าคะก็สวดอะไรได้ก็สวดไปเสีถ้าคุณไม่ซ้อมันตอนนี้แล้วคุณจะไปสวดได้ตอนนี้คุณจะตายต้องซ้อมก่อนมันต้องทํางานบ้านก่อนมันนักมวยต้องต้องซ้อมฝึกซ้อมโชคให้ดีก่อนพอถึงเวลาก็จะชคได้ไม่ใช่อยู่ดีๆขึ้นไปแล้วถานโคตชข้างล่างวะโคต้าให้ผมทำไงดีก็ตัวคนนอกเท่านั้นเอง ต้ซ้อมก่อนเจะสวดบนนั้นก็สวดไปต้องซ้อมก่อนคุณก่อสมุยครับยืนใส่บาทริมถนนใส่รองเท้าได้ไหมครับคือประเพณีเดิมนั้นเขาไม่ได้ยมใส่รองเท้าเพื่อแสดงความเคารพเพราะสมัยก่อนเขถือว่าผู้ที่ใส่รองเท้านี่จะสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าท่านดินบาทโดยที่ไม่มีอะไรรองเท้า ถ้าเราจะให้ความเคารพกับพระเราก็ต้องให้ยืนสูงกว่าพระหรือแม้แต่ยืนที่สูงกว่าพระใส่บาตก็ไม่ควรแต่บางครั้งบางคราวมันอยู่ในที่ที่มันอาจจะทําไม่ได้เชน่นยืนข้างถ น, นนแล้วขอบถนนมันสูงกว่าถ น, นนนี้มันก็ต้องอนุโลมมันไปแต่ถ้ามันเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะยืนให้สูงกว่าผู้ที่เราใ ส, ใส่บาทตยและต้องต่ำกว่าผู้ที่เราให้ความเคารพ หลวตาท่านก็สอนย่าโยเม่อคราวเห็นลูกเสร็ดใส่บาตรหลวตาบอกว่าเท้ามันล้างง่ายนะเท้าที่สกปรกมันล้างง่ายแต่ใจที่ป็นสกปรกมันล้างยากกว่านะสกปรกด้วยกิเลสอาจจะกลัวความศกกลัวใส่บเป็นถ้าถอารองเท้าแล้วเท้าจะเปื้อนีจะต้องเสียเวลาไปล้างเท้าเช็ดเท้าอะไรนี้ก็เลยไม่ยอมถอดรองเท้าอันนี้ก็ถือว่าสกปรกด้วยกิเลส คุณสมพรครับการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดคือการภาวนาใช่ไหมครับการภาวนาคือการรู้อากลับกิริยารู้ทั่วตลอดเข้าใจถูกต้องไหมครับก็ เ, เป็นส่วนหนึ่งของกา ร, รานาอนเป็นการเจริญสติคุณกัญญาครับการเรียนถามความแตกต่างของการเจริญสติในอิริยาบทการนอนแตกต่างกับการนอนไม่หลับทั่วไปอย่างไรเจ้าคะ่ะ นอนไม่หลัรามันคิดมากมันก็เลยนอนไม่หลับอย่าเงี้ยโดยการเจริญสติถ้ามันเซ็ตมันเจริญสติแบบไม่คิดมันก็หลับได้เช่นการนอนแล้วก็ดูลมหายใจไปไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่งนี้อย่างสักพกมันก็หลับได้แต่ถ้าไปคิดเรื่องนั้นเรนี้มันก็ไม่มีมันหลับคุณคุงชายครับ พระโสดาบันกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรครับให้กายใจไม่ใช่เราครับเอโสดาบันไม่ได้ดูเรื่องใจดูเรื่องร่างกายอย่างเดียวหรือว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตัวเราใจนี่ เ, เป็นผู้ที่ดูร่างกายแล้วสอนใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจไม่ต้องตกใจเวลาร่างกายเป็นอย่าะไรใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกาย คุณปฐมพงศ์ครับตอนเย็นออกกําลังกายโดยการยกน้ําหนักประมาณหนึ่งชั่วโมงมีสติอยู่กับร่างกายที่ยกขึ้นยกลงแบบนี้เรียกว่าอยู่กับกรรมฐานไหมครับถ้าไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆก็ถือว่ามีสติมีสติเพื่อหยุดคิดแต่ถ้ามีสติแล้วยังคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้นอยู่ก็ไม่ถือว่ามีสติไม่เป็นสมาสติครับสมาสตาสิตสมาสติตั้งรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้แต่ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คุณปอมแปมครับถ้านึกถึงคําสอนของพระอาจารย์อยู่บ่อยๆอย่างนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านหรือเปล่าครับก็ดูในวันจิมันิงมันมันฟุ้งไม่ฟุ้งมันก็ต้องดูว่ามันมันถ้ามันฟุ้งก็ว่าฟุ้งถ้ามันไม่ฟุ้งมันก็ไม่ฟุ้งเพราะมันมันมันมันไม่แน่บาทีฟังธรรมะไปแล้วเจ็ตมันฟุ้งขึ้นมาก็ได้อย่างอาทิตย์หล้ามีคนมาถามเรื่องธรรมะเยอะแยะามเรื่องธรรมะข้อนั้นข้อนี้อย่างนี้ก็ มันไม่มีความสงบมัน ม, มีแต่ความฟุ้งกับเรื่องทำมาอยากจะรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นสงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้จะเกิดอาการสรับสนไปหมดอย่างนี้มันก็ฟุ้งได้แต่ถ้าฟังด้วยเหตุได้ผลเล้าใจยอมรับเหตุรับผลแล้วใจนื่งไม่ฟุ้งมันก็ไม่ฟุ้งได้มันอยู่ที่เราฝากว่าเราฟังแบบไหนคุณปรีชาดาครับ กายยตาสติคือการเอาจิตอยู่กับกายใช่ไหมครับคือการให้จิตคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายทุกปีญยาบททุกการกระทําคุณชิมครับถ้าจิตเกิดอิมเอมปราโมทในธรรมมีปิติมากควรปฏิบัติอย่างไรครับพระอาจารย์ผมก็พยายามสร้างความรู้สึกตัวในปัจจุบันให้มากที่สุดรบกวนสอบถามครับตอนนี้จิตสามารถพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ได้ครับ ก็พยายามเจริญสติให้รักษาความอิ่มเอิบนี้ให้มีอยู่ไปเรื่อยๆถ้ามีสติมันก็จะอิ่มเอิไเอบไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยๆคุณอุไรครับช่วงนี้พอเข้าสมาธิจะเหมือนมีแสงสว่างอยู่ตรงหน้าผากค่ะรับรู้เฉยๆพุโทโธถี่ๆแสงกับมืดสนิทรับรู้แล้วพยายามพุโทโธไปเรื่อยๆคะ่ะอยากเรียนถามว่าแสงที่เห็นคือกิเลส ข, ของจิตเราหรือเปล่าคะมันไม่เป็นกิเลสครัมันเป็นสว่างว่าธรรมที่ กิเลที่เกิดจากความบูงแต่งของจิตผลิตขึ้นมามันจะเป็นกิเลสต่อเมื่อเราไปยินดีกับมันงั้นเราอย่าไปยินดีหมือยินได้ให้เราสักแต่ว่ารู้แล้วก็อย่าไปสนใจให้เรากลับมาดูลงเรื่อพุโทโธของเราต่อไปมันก็จะไม่เป็นกิเลสสิ่งที่ปราคนมันไม่เป็นกิเลสแต่ปฏิกิริยาของเราต่อสิ่งที่เราไปรับรู้เนี่มันเป็นกิเลสถ้าเราไปยินดียินร้าก็เป็นกิเลสขึ้นมา คุณน้องหลินครับมีสองข้อนะคะพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งเมื่อปฏิบัติถีมาตลอดพอตื่นขึ้นมาจําความฝันไม่ได้เลยคิดว่าไม่ได้ฝันความฝันหนูหายแต่เดิมเวลาฝันอะไรชอบมาเล่าความฝันให้เพื่อนในเฟซฟังความฝันหนูหายฝันหายจากอะไรเจ้าคะจากการนั่งสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะไม่เกี่ยวรลวมันเป็นเรื่องของสัญญาทาจําได้บางทีมันบางอย่างมันก็จําได้บางอย่างก็จาําจไม่ได้ เรื่องไหนที่มันประทับใจเรามันก็จะรู้สึกจะจำได้มากกว่าเรื่องที่ไม่เคยประทับใจเราเพราะมันมันมันขอไม่แน่นอนจำได้ก็จำจำไม่ได้ก็แล้วไปไม่ต้องไปกังวลกับมันเพราะความฝันมันก็เป็นแค่ความฝันไม่ได้เป็นความจริงคำถามที่สองครับเวลานอนฟังธรรมหลับไปก็ไม่รู้ตัวเจ้าคะว่าหลับตอนไหนจากการนั่งสมาธิเชิกันใหม่เจ้าคะ ก็เป็นไปได้นั่งสมาธิถ้าไม่มีสติก็นั่งหลับได้ขอพับไปก็มีแล้วไม่ดีที่สติว่ามีไม่มีถ้าไม่มีมันก็หลับได้ทุกทุกทาบางทีถ้ายืนมันยังหลับได้เลยถ้าไม่มีสติครับคุณนันปรัทศ์ครับการดูลมและภาวนาว่าพุทโธตอนหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโธใช่หรือเปล่าครับก็ได้มันมีหลายวิธีการภาวนา จะหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธ ก, ก็ได้รจะหายใจเข้าว่าพุทโธหายใจออกว่าพุทโธก็ได้หรือไม่ใช้หายใจเลยก็ได้อัต่พุทโธอย่างเดียวก็ได้พุทโธไปพุทโธไปเนื่ๆหรือจะดูลม อ, อย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้คําว่าพุทโธก็ได้แล้วมันมีหลายวิธีได้กันที่เราสามารถทดลองได้หรือว่าอันไหนมันถูกกับเราได้ผลดีแล้วก็เอาอันนั้นไป คุณแต้มสีครับหากมันฝึกสติในชีวิตประจำวันและในรูปแบบบ่อยๆสติจะกล้าแข็งขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะตั้งมั่นให้มันเกิดจริงไหมคะก็ทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทำให้จิตเราตั้งมั่นได้มากขึ้นไม่ลอยไปลอยมา คุณสมพรครับตอนที่เราไม่คิดอะไรเยอะๆตอนนั้นจิตของเราจะเข้าถึงธรรมในความหมายของจิตสงบมีสติมีสมาธิของมันเองแต่หากไปบังคับจิตให้มีสมาธิเสมือนไปข่มจิตทำให้จิตเครียดยมเข้าใจอย่างนี้พอจะเข้าสู่รอลอยหรือยังครับมันจะมีสติมีสมาธิได้ต้องบังคับมันเพราะของพวกนี้มันไม่มาเองเราต้องสร้างมันขึ้นมาเราต้องฝึกสติ เราต้องบังคับจิตให้มีสติบงต้องบังคับให้จิตหยุดคิดให้ให้จิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันเองทําให้จิตมีสมาธิขึ้นมาได้ถ้าไม่ไปบังคับมันไม่ไปมันก็ไม่มีทางที่จะมีสติมีสมาธิได้อย่นก็ไม่ต้องปฏิบัติกันเนี่ยสั่งมาต่อไปนี้ขอให้มีสติขอให้มีสมาธิ ม, ม, าธมันไม่มาเองเหรอมันต้องสร้างาขึ้นมา แล้วมันมีการสร้างมันก็ต้องมีการเครียดความเครียดเพราะมันเป็นการต่อสู้กับกิเลส ท, ที่ไม่ต้องการจะมีสติมีสมาธิด้นี่นคุณวันเพ็ครับลูกปฏิบัติภาวนาพุทโธมีสติระหว่างวันเห็นจริตนิสัยที่ไม่ดีเวลามีเรื่องมากระทบซึ่งเมื่อก่อนไม่เห็นข้อเสียของตัวเองการภาวนาช่วยขัดเกลาําให้ความทุกข์น้อยลงฝึกปล่อยวางลูกมาถูกทางแล้วใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้าทุกข์น้อยลงก็ลปล่อยวางได้มากข <c oughs> ึ้นก็ถือว่ามาถูกทางนะ คุณคุณมารีรัตครับโยมฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆก็มีอาการเหมือนมีมดไต่และเป็นเน็บแต่ตอนนี้นั่งครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีอาการใดๆแล้วอ๋อนิรายงานนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้เมตที่เมตตาครับมันเป็นความพุ่งใจของจิตมาหลอกเราเอ ง, ของเขาเกลียดกันนะ อุณทัศน์สีคร บ, บอกว่าตอนเด็กๆนั่งสมาธิได้ผลดีกว่าตอนโตได้ความเงียบสงบและเข้าฌานได้เร็วกว่าพัฒนาสมาธิได้ดีกว่าเป็นเพราะอะไรครับเพตอนเด็กๆมันอาจจะไม่มีเรื่องเวลาใคิดมากมีแต่ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีงานไม่มีการไม่มีอะไรต่างๆที่จะต้องมาให้จิตมาแบกเป็นภาระมันก็เลยอาจจะทําให้การเข้าสมาธิมันง่าย แต่พอต่อขึ้นพอมีนั่นมีในเริมมีภาระมีหน้าที่มีเรื่องเวลาต่างๆจิตมันก็เลยคิดมากขึ้นคิดมากขึ้นจะทำให้มันะชิดชีต้องยากขึ้นไปต่ปางไปคุณอภิรารับจะมีข้อแตกต่างระหว่างจิตสงบหรือจะหลับเพราะพอนิ่งไปสักพักจะชอบดึงกลับมาเพราะกลัวจะหลับไปเจ้าคะ่ะคือถ้ามันจะหลับมันก็เพราะมันไม่มีสติมันก็หลับ ถ้ามันมีสติมันก็จะสงบมันสมาธิมันก็มีแค่นั้ น, นอยู่ที่ตัวสติถ้ามีสติก็ไม่ต้องกกนึกจิดให้มีสติอยู่กับลมไปนู่นหยมีกับพุโทโธไปถ้าเราดูลมได้ก็แสดงว่าเรามีสติอยู่ถ้าเรายังพุโทโธได้ก็แสดงว่ายังมีสติแต่ถ้าเราไม่ดูลมเราไม่มีพุโทโธมันก็แสดงว่าเราอาจจะเผลอหลับไปแล้วก็ได้ คุณวิไลครับบอกว่าสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิปรากฏว่าสวดมนต์ใช้เวลามากกว่าคล้ายเป็นความเคยชินไปแล้วคะ่ะควรจะนั่งมากกว่าสวดมนต์ใช่หรือไม่คะตอนเช้าเดินจมกรมเลยไม่ได้ค่อยสงบคะ่ะถ้าเรานั่งได้เลยไม่ต้องสวดก็ได้ที่สวดราะบางทีนั่งเรามันนั่งไม่ได้เพราะจิตมันคิดมากแล้วท่านต้องใช้การสวดมันเพิ่มเพื่อบรรเทาความคิดให้มันเบาลงให้มันน้อยลงเพื่อที่จะได้นั่งสมาธิต่อได้ คุณเรครับมีพี่แนะนําเรื่องการจับรูกประคำเพราะว่าจิตนิ่งยากมากแต่พอทําแล้วรู้สึกจิตฟุ้งกว่าเก่าแต่ถ้าจับลมอย่างเดียวก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองนับถูกไหมแบบนี้ควรปรับยังไงดีครับก็เรื่องรูกประคำนี้ไม่มีในคําสอนของพระพุทธเจ้านะมันเป็นเรื่องของคําสอนของผู้เพราะว่าการจับรูกประคำนี้ก็ทําให้ร่างกายอะไรยังเคลื่อนไหมันก็จะนําให้ได้ความสง บ, บเท่าที่ควรอาจจะได้สติ อาจจะไม่นิ่งถ้าต้องการนิ่งร่างกายต้องนิ่งก่อนจิตจิตถึงเงี้นิ่งตามได้คุณพีราพรครับเวลานั่งจิตเริ่มสงบตัวจะ ก, กระตุกอย่างแรงเป็นแบบนี้บ่อยๆแก้อย่างไรครับก็ไม่ต้องแก้อะไรมันมันเป็นก็เรื่องของมันไปพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปถ้ามันเป็นแล้วแล้วมันก็หยุดหายไ ป, ไปก็ไม่มีปัญหาเลยถ้ามันแบบชักกระตุกจ่กระทั่งนัสมาธิไม่ได้เนี่ก็อาจจะต้องไปถามหมออยู่ Öyle, มีความผิด euh. ปกติทางร่างกายหรือเปล่าคุณโมริครับถ้าเราไม่ค่อยรู้การนั่งสมาธิจะทำให้บ้าได้หรือเจ้าคะได้ถ้าเราไม่ศึกษาเรื่อการนั่งสมาธิแล้วว่าแล้ว เ, เ, เวลาเกิดอะไรขึ้นในสมาธิเราต้องรู้ก่อนว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นอาการของจิตปุงกแตกขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่รู้เวลานั่งไปแล้วเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาอาจจะลองคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาอาจจะหลงคิดว่ามีพระพุทธเจ้ามาหาเราแล้วมีพระพเจ้ามาสอนเราแล้วหรือเรากลายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นบ้าแบบนี้เป็นบ้าไปเพราะความคิดปูงแต่งของตัวเองคิดไปเองเวลาไปสัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งสมาธิซึ่งถ้านั่งถูกถ้านั่งถูกวิธีในสติอยู่นี้มากจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมา แ้่ถ้านั่แบบเฉยๆแล้วจินธนาการไปนะเดี๋ยวมานะเรื่องราวต่างๆจะโผล่ขึ้นมานแล้วถ้าไม่มีปัญญาแยกแยะเข้าไปเชื่อว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นท่ามาหพมมากเป็นนู่นเป็นนี่มากนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับคุณชัยครับขออนุญาตเรียงสอบถามเกี่ยวกับการใส่ญาสมาธิทําไมครูบาอาจารย์ไม่ค่อยมีใครสอนนะครับเพราะมันเป็นท่าที่ทําให้หลับง่าย ถ้านอ น, นอนตะแคงขวานอกจากว่าผู้ที่มีสติมีสมาธิชำนาญแล้วสามารถนอนบางทีบางทีงทนั่งอาจจะไม่สะดวกที่จะนั่งก็เลยใช้ท่าเสียสายรัแคุณธนาวัตรครับนั่งสมาธิจิตสงบรู้สึกลมหายใจหายไปต้องทํายังไงต่อครับก็ให้ลืมเฉยๆหรือว่าไม่มีลมหายใจ แล้วเขดูว่าใจนิ่งเฉยๆไม่คิดอะไรหรือป่าถ้าคิดก็ต้องหยุดความคิดอย่าปล่อยมันคิดคุณดิมพครับเวลาเดินจงกรมลูกจะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆบางทีก็จะหยุดยืนนิ่งๆแต่ยังพุทโธพุทธโธอยู่แบบนี้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะก็มีพุทโธไว้เพื่อแม่เราคิดเท่านันเองถ้าเรา หยุดถ้าเราไม่คิดเราจะหยุดพูดโทรศัพทก็ได้แต่ถ้าเรายังคิดเราก็ต้องพูดโทต่อคุณมารีรัตครับฝึกใหม่ขณะโยมเดินจงกรมทําไมง่วงอยากจะเอาหัวทิ่มลงนอนเลยเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรฝึกเวลาทุ่มครึ่งซึ่งไม่ใช่เวลานอนเจ้าครับเพราะมันมันการฝึกนี้มันไม่เป็นการเรื่องที่ตื่นเต้นเน่าใจเหมือนกับการทําอะไรอย่างนี้ ถ้าดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงนี่มันมันยังเล่าใจมันทำให้ตื่นเต้นมันก็ไม่ง่วงแะ่พอต้องให้มันเดินจนงกรมนี่มันไม่ได้ทำอะไรไม่ให้คิดอะไรมันก็เลยทำให้ง่วงได้ <c oughs> คุณสุภาพรครับการดูลมหายใจช่วงแรกจะยังไม่สามารถกำหนดให้รู้ได้ที่จุดเดียว แต่จะระลึกตามรู้ลมหายใจเข้าออกถึงท้องเสมอแต่พอดูไปสักพักถึงจะมากําหนดรู้ที่ปลายจมูกจุดเดียวได้โยมปฏิบัติถูกไหมคะก็คนรที่จะพอได้ได้จุดที่เราได้ต้องการแล้วก็ควรจะอยู่กับจุดนั้นจุดเดียวอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื้องต้นอาจจะเปลี่ยนได้ท่าดูลมที่ปลายจมูกไม่ได้ต้องดูลมที่ท้องก็ดูไปก่อนแตพอม า, มาดูที่ปลายจมูกไดแ้แล้วก็ไม่ควรจะเปลี่ยนกลับไปที่ควรจะอยู่ที่ตรงนั้นจุดเดียว ถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เหมือนกับขยับย็ด น, นะยุดมันก็จะไม่สงบไม่แน่นแต่ทีคุณสิริพัทธรีครับการนมัสก า, ารพระอาจารย์ปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิสวดมนต์สามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงทุกวันพอในชีวิตประจำวันเจอในสิ่งที่ไม่ชอบมากระทบบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆจนจิตมันวางลงทาอย่างไรต่อดีคะถ้าวางลงมันก็ไม่มีปัญหาเลย ก็หมายก็คือแม่เราไปทุกข์กับสิ่งที่มากระทบทางๆถ้ามันมากระทบก็ใช้พุทโธเพื่อให้มันปล่อยวางแล้วมันก็จะได้ไม่มีความรู้สึกเหมือดน้อนกับสิ่งที่มากระทบถ้าอยากจะให้มันหายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจวนะ่าสิ่งที่มากระทบเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้มันดินฟ้ากันแต่เราอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกข์ถ้าเรายอมรับ ถ้าเราไปมีความลังเกยียจมีความรักความชางมาันก็จะทําทให้เราทุกข์กับมันเราต้องพยายามตัดความรักความชางกับสิ่งที่มากระทบและเราก็จะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ต้องใช้คําบริกรรมพุทธใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเป็นสภาวะธรรมที่มีเหตุมีปจัจจัยทําให้เขาเกิดและเขาดับเราไม่สามารถไปควบคุมขับเขาได้ คุณแพตครับการเดินจงกรมสามารถเข้าสู่ความสงบเหมือนการนั่งสมาธิหรือไม่อย่างไรคะมันจะสงบไหมแต่ไม่เท่ากับการนั่งสมาธิจิตมันจะรวมรวมไม่ได้เพราะจิตยะต้องทำงานยังต้องสังม่มใหน้า ก, กายเดินไปเดินมาไน้มันจะสงบเต็มที่ไม่ได้แต่มันก็จะสงบได้ประมาณห้าสิเปอร์เซนส ม, มุติถ้าเทรียบเทียบกับเวลานั่งสมาธิถ้านั่งสมาธินี้ ร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวจิตให้มีการสัง่งสั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็อยู่เฉยๆมันจิตก็จะไ่งสงบได้เต็มรอยได้คุณอนงนาถครับคนที่ตายไปแล้วเขาสามารถมาขอส่วนบุญจากนักบวชนิคขมมะได้ไหมคะเพื่อนที่บวช ด, ด้วยกันเจอเสียงคนร้องไห้นอนที่วัดเจ้าค่ะก็สามารถเข้ามาหาใครก็ได้เพียงแต่ว่าจะมามาจริงหรือมาไม่จริงนะ อาจจะเป็นเรื่องที่จิตของของคนที่สัมผัสแล้วมลนวูบแตกขึ้นมาโดยไม่รู้สึตัวก็ได้แต่นั้นเป็นของจริงเราต้อควรสนทนาขเขาได้ทันสาระทุกสุขด้วว่าเป็นยังไงมีชื่ออะไรอดีตเป็นใครอะไรมา่ก่อนต้องมีเรื่องเวลาให้เราได้แล้วถ้าเป็นไปได้ให้เราสามารถเอาไปพิสูจน์ได้ยิ่งดีนั่นก็บอกว่าเขาเขาเคยเป็นคนนั้นคนนี้ตายไป บ้านอยู่ทีนั่นที่นี่แล้วมีของอะไรที่เขาเก็บไว้ในบ้านที่ไม่มีใครรู้นี้แล้วเขาบอกให้เราไปไปไปดูนี้ถ้าเราไปพบกับสิ่งที่เขาพูดนี่ก็แสดงว่าเป็นของจริงยังบางทีเราอย่าไปอย่าเพิ่งไปเชื่อเวลาที่เราไปสัมผัสรับรู้อะไรที่เกิดขึ้นจากการภาวนาพราะมันไม่รู้ว่าเป็นของจริงแล้วของปลอคุณรังสีครับ การปฏิบัติเราจะทราบว่าอย่างไรว่าไปถึงไหนแล้วหรือปฏิบัติไปเรื่อยๆครับรก็จิตเราเย็นเย็นขึ้นมีความสบายขึ้นมีความโลภความโกรธน้อยลงเป็นต้นคุณสุวัจนาครับถ้าใจบริกรรมบทสวดมนต์ในขณะที่ร่างกายทํางานบ้านทําอย่างอื่นไปด้วยได้ไหมเจ้าค่ะเนื่องจากมีเวลาน้อยครับไ ด, ไ, ดได้เป็นการฝึกสติไป เพืไม่ให้ไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆคุณแต้มสีครับบอกเคยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในชีวิตสองเหตุการณ์คือหนึ่งแม่แท้งลูกสี่คนพี่น้องตายตั้งแต่เด็กสองคนพอแม่ทำบุญเยอะๆเลยไม่แท้งอีกข้อสองตอนเด็กบ้านเคยไฟไหม้สองสัปดาห์ต่อมาได้รถยนต์คันเล็กจากการส่งซิชิงโชคไปแค่ใบเดียวพยายามหาคาตอบมาทั้งชีวิตโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่สองพอโตมา ไปปฏิบัติธรรมแปดเดือนจึงได้รู้ความจริงถึงสาเหตุที่เกิดปฏิหารแบบนั้นขึ้นจู่ๆก็รู้ขึ้นมาเองนี่เรียกว่าเป็นผลจากการปฏิบัติจนเยอะมากพอใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็มันเป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติสิ่งต่างๆนี่มันบาที่ปรากฏการณ์ต่างๆนี่มันเป็นปรากฏการเพรามันมีเหตุมีปัจจัยทำให้มันปรากฏขึ้นมา คุณวีนาครับคำว่าสติทางธรรมกับสติทางโลกเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะสติทางธรรมก็คือมีความ ร, รู้ว่ากำลังทำอะไรกลังและไม่มีความคิดคเรื่องเรื่องต่างๆรู้เฉยๆส่วนสติทางโลกก็เหมือนกับมีสติอยู่การคิดบัญชีทำบัญชีก็ต้องใช้ความคิดหรือวิเคราะห์ถ้าเป็นแพทย์ก็วิเคราะห์ว่า คนไข้คนนี้เขาเป็นโรคอะไรก็มีสติอยู่การวิเคราะห์ไม่ไปคิดเรื่องอื่นแต่มันก็ถือว่ามันก็ยังเป็นสติทางโลกไม่ใยกเป็นสติทางธรับเพราะไม่สามารถทําให้ใจสงบได้ต้องเอา ส, สติทางธรรมคื อ, อรู้แต่ไม่คิดรู้ว่าร่างกายกำลังเดินแต่ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คุณอนัญญาครับเวลานั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจจะเกิดอาการน่าเกรงมากเป็นเพราะหายใจเร็วไปไหมครับไม่หรอกมันเป็นเพราะมันเป็นปกติของติเลที่มันจะมาสร้างความรู้สึกเหล่านี้เพื่อมาสร้างประสาทของการปฏิบัติเราไม่ต้องไปสนใจต้องมีความอดทนอย่าไปกังวลไม่ต้องไปทําอะไรถ้าจิตเราสงบแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปหรือถ้าเราเลิกจากการนั่งสมาธิมันก็หายไปง คุณสุจิตราพรครับเคยสวดมนต์แล้วเห็นร่างกายมันทํางานแยกกันมาถูกทางหรือเปล่าคะมันยาแยากจากอะไรแยกกันแยกจากใจต้องถจาเห็นว่าร่างกายกับใจเป็ น, นคนละส่วนกันก็มาถูกทางนะคุณแต้มสีครับหลวงตามหาบัวเคยเล่าว่าการกินน้อยช่วยให้พัฒนาสติได้ดีขึ้นจริรงใช่ไหมคะใช่เราไม่กินข้าวแต่มันจะหิวค มันจะเห็อแล้วมันจะไม่ง่วงมันจะไม่หลับมันจะตื่นตัวคุณสิทิรักษ์ครับอยากถามพระอาจารย์ค่ะการที่เราส่งเงินให้คุณแม่และฝากให้ทำบุญทาสังฆทานเราจะได้รับบุญนั้นไหมเจ้าค้าเพราะอยู่ต่างประเทศไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ครับได้แต่คุณน้าจะไม่ได้บุญนะเพราะว่าเป็นเป็นคำสั่งของเราและเป็นเงินของเรา ถ้าอยากใช้คุณแม่ได้บุญก็ต้องให้ส่งกันไปคุณแมาแต่ไม่บอกให้คุณแม่เอาไปทําอะไรแล้วแต่คนแม่แล้วคุณแม่ได้เงินจากหนูแล้วอยากจะทําบุญคุณแม่ก็เอาเงินนี้ไปทําบุญคุณแม่ก็จะได้บุญอีกทีหนึ่งแต่ถ้าให้คุนแม่แล้วบอกให้แม่เอาไปทําบุญนี่เราไปการใช้แม่ทําบุญให้เรา คุณไทเกอร์ครับเห็นงูกำลังจะกินแมวในท่อพยายามจะช่วยแมวแต่ช่วยไม่ได้เพราะงูยิ่งลากแมวไปในท่อลึกเื่อยๆจนไกลกว่าจุดที่เรามองเห็นแต่ได้ยินเสียงแมวร้องอยู่จนเราต้องทำใจเราควรคิดทำใจให้เราสามารถสบายขึ้นไม่หดหูและรู้สึกผิดที่เราไม่สามารถช่วยเขาได้อย่างไรครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเหตุสุวิสัยของเราเราทาได้ท่าหลายเราไปทนั้นเอง คุณคอรมิดครับเวลาเดินจงกรมแล้วจิตมันไปอยู่ที่รู้ลมหายใจสติสลับกับรู้การก้าวเดินทําอย่างไรครับเอาอยู่ให้มันอยู่จุดได้จุดหนึ่งดูกับการก้าวเดินมันยังง่ายกว่าการดูลมแต่ก็ได้ถ้าดูลมได้ไม่ไม่ดูการก้าวเดินก็ได้แต่เราต้องเราก็ต้องดูการก้าวเดินเพราะเราก็เป็นกาเดินไม่ต้องไปดูลมหายใจยังดีกว่าเพราะเดี๋ยวเดินไปเหยียบน้องเหยียบนี่ขึ้นมาถ้าเราไม่ไม่ดูการก้าวเดินของเรา ใมัแต่ดูลมอยเวลาเดินจงกรมอย่าไปดูวมให้ดูการก้าวเนินจะดีกว่าคุณปราดครับถ้าผมนั่งสมาธิแผ่ส่วนกุศลผลบุญให้แม่ที่ป่วยแม่และพ่อมีส่วนได้ของผลบุญกับบ้างไหมครับไม่หรอกบุญนี้ที่เราทํำนี่เราจะแผ่ได้ต่อผู้ที่ลงรับไปแล้วแต่บุญนี้เกิดจากการนั่งสมาธินี่มันยังไม่เกิด น, นะเพราะจิตคุณยังไม่สงบยังไม่ได้ผล คุณไม่คุณถ้ายังจะแผ่บุญให้กับผู้ลงนามไปแล้วบุญที่เกิดขึ้น ท, ทันทีทันใดก็คือการทําทานการทำบุญทําทานอันนี้เป็นเหมือนฟาสฟูดเนี่ยพอสั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยแต่ถ้างานนั่งสบายที่นี่มนกับไปจองโต๊ะจีนไว้ล่วงหน้าก่อนยังไม่ได้กินเีป็นแต่ไปสั่งจองไว้ก่อนว่จาจะเอาโต๊ะจีนวันนี้วันนั้นวันนี้นะเพราก็จะต้องเตียดตัวทับ เตรีมมเตรมเตรียมทํานี่เพราะยังนั่งการนั่งสมาธิการรักษาศีลนี่มันยังไม่ได้ผลเนาะนี้ยเพราะเรายังไม่ได้ทําอย่างเต็มที่ยังไม่ได้ผลเกิดขึ้นบุญยังไม่เกิดเวลาเรานั่งสมาธิฉั้นคนที่จะถ้าต้องการอุทิศบุญให้กับผู้ที่รว่วมรัไปแล้วพระเจ้าสอนให้ทําด้วยการทําทานทําบุญทําทานคุณอภิสราครับ เวลานั่งสมาธิไปแล้วจิตเหมือนมันดิ่งๆตกจากที่สูงคืออะไรเจ้าคะมันก็เป็นวิธีการเข้าสู่การพของจิตอย่างนั้นแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะตกมาจากที่สูงแล้วมันก็จะนิ่งสงบแต่ถ้ามันเด็งแล้วยังไม่สงบก็ยังแสดงว่ามันยังไม่เข้าถึงจุดนั้นมันอาจจะดิ่งเพราะจะหลับก็ได้่นบางทีจะหลับมันก็ดิ่งเหมือนกันคุณแครอทครับ ตอนนั่งสมาธิปวดขามากจะสามารถขยับได้ไหมครับเพราะปวดมากจนทําต่อไม่ไหวครับควรจะบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับความปวดสมมติว่าเราอยู่ในสภาพที่เจ็บไข้ได้ปวดแล้วมันปวดแบบนี้เราจะขยับยังไงมันก็ไม่หายปวดปล่มันปวดไปหัดสอนใจให้หัดอยู่กับความปวดไปจะดีกว่าเพราะต่อไปเวลาเจอความเจ็บปวดจากความเจ็บไข้ได้ปวดจริงๆจะได้ไม่ทรมาร เราจะสามารถสอนใจให้อยู่กับมันได้ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกับเรียนผ้าจารย์เจ้าค่ะการนั่งสมาธิเพื่อพิจารณาให้เกิดปัญญาถูกไหมคะหรือต้องเกิดปัญญาก่อนสมาธิที่ถูกต้องอย่างไรเจ้าคะคือการนั่งสมาธินี้ไม่ให้เกิดไม่ได้เพื่อให้เกิดปัญญาเกิดเพื่อให้เกิดความสงบให้เกิดอุเบกขาส่วนปัญญาที่เราต้องออกจากสมาธิแล้วมา ใช้ความคิดพิจารณาความเป็นจริงสภาวะธรรมพิจารณาทุกสิ่องทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายรักเป็นอนิจจมทุกขังของนัตตาอันนี้ถึงจะเป็นปัญญามันคนละเรื่องกันมีมีคนคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่มีตอนนี้นะครับติดขัดมากระจางในตอนนี้เลยนะครับอาจารย์ครับ แล้วก็มีคุณธิดาบอกว่าตั้งแต่ฟังพระอาจารย์ได้ปฏิบัติตามคำสอนทำให้จิตใจสงบมีสมาธิมากขึ้นเจ้าค่ะลดความอยากและปล่อยวางได้เยอะมากกราบขอบคุณพระอาจารย์ในความเมตตาครับสาธุสาธุถ้ามีคำนั้นในทางลบด้วยก็จะพูดมาว่าก็ได้เพื่ออาจะปรับปรุงแก้ไขได้ ไม่ไม่ค่อยไม่มีเลยนะครับอาจารย์ที่ผมอานเขาอาจจะไม่เข้ามาครับอาจานคุณเลซิตาครับทํากรรมหนักกับพ่อแม่ด้วยความเข้าใจผิดผิดใจกันทําตัวไม่ดีไม่ค่อยคุยหรือติดต่อท่านแต่ตอนนี้สํานึกแล้วได้กล่าวขอเข้ามาท่านไปครั้งหนึ่งอยู่ไกลกันกรรมตรงนี้ควรขอเข้ามาหรือทําสิ่งใดเพิ่มบ้างครับก็คอยกับเขาเขาไปเยี่ยมท่านเลยไปเยี่ยมท่านไปกราบท่านไปซื้อของไปฝากท่านอะไร วันนี้คำถามเยอะมากเลยครับอาจารย์คำถามสุดท้ายเกี่ยวกับการปฏิบัติเต็มเลยครับป้าแดงครับลูกทำสมาธิโดยคิดเป็นนับหนึ่งนับสองนับสามจนถึงร้อยแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่ทำใจไม่คิดอย่างอื่นแต่จิตไม่รวมเป็นสมาธิเจ้าค่ะผิดพิธีไหมครับก็หยุดคิดดูเฉยนับน่งถึงร้อยตอนต้นอาจจะคิดถึงร้อยได้เพื่อบรนเทาความคิดต่างพอถึงน้อยแล้วก็หยุดคิดแล้วก็ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียว อาจารย์เขาแถมสักนิดนะครับ น, น่าสนใจครับคุณวัชราบอกว่าถามต่อนเนื่องถ้าทําความเพียรมากเกินไปเช่นทําสมาธิและเกิดความทุกขเวทนาอย่างมากแบบนี้เป็นการไม่เดินสายกลางไหมครับมันก็มันก็อยู่ที่ว่ามันมากอย่างไงถึงเรียกว่ามากเกินไปเพราะพระเจ้าสอนว่าให้ปฏิบัติตั้งแต่ตืน่นจนหลับนะนั้น ทุกส่วทกเวทนามันก็เกิดขึ้นได้จำปฏิบัติมากไม่มากบางทีนั่งแค่ห้านาทีสิบนาทีมันก็เกิดทุกเวทนาขึ้นมาได้ดังนั้นการเกิดทุกกเวทนาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าเป็นปกติแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะได้ฝึกซ้อมให้เราเข้าใจคาธรรมชาติของทุกกเวทนาเพื่อปล่อยวางมันให้ได้ด้วยดังั้นความทุกข์ที่เกิด ความทุกข์ม่ทันน่าที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ไม่ได้เป็นการผมบอกว่าปฏิบัติไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในทางสายตางแต่อย่างไดมีคอมเมนต์ครับบอกว่าลึกซึ้งมากคําตอบที่ท่านอาจารย์สอนเพื่อนๆ เ, เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติและเพิ่มความเข้าใจครับอาจารย์อาจารย์ครับวันนี้คนฟังเต็มเลยครับมในเฟซบุ o กหกร้อยเจ็ดสบเจ็ดคนในยู u ูบเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดคน ในขับเฮายี่สิบห้าคนมีคนฟังทมด้วยกันหนึ่งพันห้าร้อยคนนะครับอาจารย์ครับก็เนีช่วงบ่ายนก็พันร้อยหนึ่งันหนึ่งร้อยช่วงเช้าก็สายบาทสี่ร้อย400กว่าสี่ร้อยยีส่สิบวันนี้ก็ 3, ใน 3, ชวนญาติโยทมทาบุญทำทานบำเพ็ญบธตามสรุมรวมกันก็ประมาณเกือบสามพันพอดีสาม0ัน ค, คนก็ไม่น้อยนะยังมีคนมาได้ร่วมทบาบุญกัน ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านและหวังว่าท่านคงจะนํามันไปปฏิบัติเพื่อให้มากขึ้นไปตามลําดับต่อไปการแสดงการสนาธรรมสําหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนํำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอิตู ก็ขอลาคุณหมอไปเพียงเท่านี้แล้วถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็จะได้พบกันเองในอาทิตยหน้าเช่นเคยครับกับคุณทยกท่าน